อาจารย์ครับการนวมัสการครับผมเจ ร, ริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนั้นวันวิสาขะพระอาจารย์เดินบินธ บ, บาตตั้งพันกว่าคนเลยเหรครับอาจารย์พันกว่าหกคนใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงตงเต็มถนนแล้วครับพระอาจารย์ไม่มีช่องว่างเลยใช่ไหมครับก็มีคนถ่ายตลอดทางตลอดเวล ครับแล้วมีออนไลน์อีกห้าร้อยกว่าคนใช่ไหมครับประมาณห้าร้อยคนโอ้โหได้กันนัวันนี้แค่สามร้อยกว่าสามร้อยแปดสิบสี่ันนี้สามร้อแดสี่ก็ไม่น้อยนะครับอาจารย์เดี๋ยวนี้เบสก็อยู่ที่สาม้อยแปดสิบแล้วนะครับอาจารย์ครับอก็ทางบ้านอีกประมาณร้อยห้าสิบเกือบห้าร้อยกว่าครับครับกับคับอธิโมนาครับอาจารย์ครับ อาจารย์ครับเพียงแต่ว่าขอให้ทําบุญทําทานเพื่อล้างความตัณนกน็แล้วกันอยากทํบุญทำทานเพื่อหวังร่ำาวังรวย <laughs> มันมีรู้สึกอยากจะรวยกันได้เกิน <laughs> จะเป็นเป็นเหยื่อของคนของคนที่เหยเห็นช่องทาง น, นี้อยากรวยนะเสกเป่าอะไรให้ทำเจมิมนู่นเจิมนี่ให้นจะร่ำจะรวยขึ้นมา ตรงหัวข้อเลยครับอาจารย์ก็เลยวันนี้ก็เลยจัดหัวข้อนี้เลยครับอาจารย์เพราะว่ารู้สึกช่วงนี้เป็นอย่างนี้จริงๆครับดูข่าวช่องโนู้นช่องนี้ก็จะก็จะมีพุทธสายแปลกๆแล้วบอกเป็นพุทธเป็นลูกพระพุทธเจ้ามาตั้งเป็นเทพเป็นอะไรอย่างนี้บ้างครับอาจารย์ก็เลยจะขอปัญญาพระอาจารย์ว่าเออแล้วพวกเราจะพิจารณาอย่างไรครับว่าแบบแบบนี้ที่ถูกต้องแล้วเป็นพุทธที่แท้จริงแล้วครับอาจารย์ครับกลับหัวข้อต่อไครับ ก็มีคนถามคำถานี้กับพระพุทธเจ้ารู้สึกจะเป็นคนสุดท้ายก่อนที่พระเจ้าจะลาขันธเด่นดับขันธบนาลานิพานชายคนนี้ก็บอกพระขออนุญาตพระอนุญาตเขาเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าเพื่อขอถามคําถามพระอนุญาบอกยากเข้าไปเลยท่านท่านเพียบแล้วท่านกำลังจะไปนะพระพุทธเจ้าได้ยินก็บอกว่าอานุญาตไปก็เข้ามาชายคนนั้นเข้าไปกราบ ถามทูลถามว่ามีคําสอนเยอะแยะไปหมดมีลทัที่มีอาจารย์สอนอะไรต่างๆแตก ต, ต่างกันไปไม่รู้ว่าจะเลือกคําสอนเหล่านี้ได้อย่างไรว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องครับคุณเจ้าบอกว่าก็ดูที่คําสอนนั้นมีมรรคแปหรือเปล่าถ้าคําสอนใดมีมรรคแปก็ถือว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องเป็นคําสอนที่จะพาให้หลุดพ้น จากความทุกได้ง้อ8ก็คือสมมติทิความเห็นที่ถูกต้องสมมาสังกปรความคิดที่ถูกต้องสมมากรรมโตการกระทำที่ถูกต้องสมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสมมาอาชีวอาชีาาพที่ถูกต้องสมมาวายาโมความเพียรที่ถูกต้องสมมาสติการรับรู้ที่ถูกต้อง สมาสมาธิการตั้งมั่นของจิตที่ถูกต้องถ้ามีคําสอนถ้ามีมรรคแปดอยู่นะอยู่ในคําสอนนั้นก็ถือว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องสมาอาจารอธิบายหน่อยสมาธิิคือความเห็นที่ถูกต้องเป็นยังไงก็เห็นว่าทุกนี้เกิดจากหนึ่งเกิดจากการกระทําบาปสองเกิดจากกิเลสตัณหาความอยา ก, กตา่างๆนี่คือ เที่ทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้า ต, ต้องการจะดับทุกข์ก็ต้องมาดับที่สองจุดนี้ละการกระทำบาปแล้วก็ชำระใจกาจัดความโลภความอยา ก, กต่างๆให้หมดไปจากใจอันนี้คือความเห็นที่ถูกต้องถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องก็จะนาไปสู่ความคิดที่ถูกต้องคิดว่าจะทำอะไรก็คิดว่าจะไปละ บ, บ า, คาะปบบาคิดว่าจะไปรักษาศีล คิดว่าจะไปปฏิบัติธรรมเพื่อชำระกิเลสไปภาวนาสมถภ า, าวนาวิปัสนาภาวนาอันนี้คือความความความคิดที่ถูกต้องต้อคิดอย่างนี้ไม่ใช่คิดว่าจะไปหาเงินหนาทองไปกราบพระพุทธรูปวันนั้นวันนี้เพื่อจะได้ขอขอยศขอตําแหน่งขออะไรตา่างอันนี้เป็นความคิดที่ไม่ถูกไปวัดไปหาพระไปหาศาสนานเพื่อไป ไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมคิดไปหน้าบาปไปถือศีลไปภาวนาพอ<ม>ความคิดอย่างนี้การกระทําก็จะตามมาสามากัมมันโตการกระทําที่ถูกต้องก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีเป็นการกระทําที่ถูกต้องสามาวาจาก็คือไม่พูดปดไม่พูดคําหยาไม่พูดสอเสียด ไม่พูดเพอเจอเอันนี้จะเป็นการการพูดที่ไม่ถูกต้องไม่ควรพูดให้พูดคำจริงให้พูดบาจาที่สุภาพเยบน้อยให้พูดสิ่งที่มีสาระประโยชน์แล้วก็ไม่พูดยุยงให้พูดเขาเกิดความแตกแยกคือสอเสียนี่มาคำพูดยุยงให้เกิดความแตกสามมคคีกัน นี่คือวาจาที่ถูกต้องสามมาวาจาการพูดที่ถูกต้องสามมาชีวะ ก, ก็มีอาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ทําอาชีพที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเช่นอขายสุรายาเมาหรือขายพวกที่เป็นสิน่งที่จะไปทําลายผู้อื่นได้เช่นอาวุธต่างๆหรือเครื่องดับสัตว์เป็นต้น ไหมทำมาชีพขายของเหล่านี้แล้วก็สัมมาวายาโมวาความเพียนชอบก็เพลินเพียนมะบาเพียนภาวนาเนี่คือคือความเพียนที่ถูกต้องเพียนเจริญสติเพียนนั่งสมาธิเพื่อให้ได้สัมมาสติคือการทำเลิกที่ถูกต้องเลิกอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานใด อ, องค์ใดองค์หนึ่งเช่นอยู่กับคบําบ่าคำพูดโท อยู่การดูลมหายใจก็อยู่การการเคลื่อนไหวของร่างกายนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสมาสติแล้วก็นั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นเอ็คักกตาเป็นอปปนาสมาธิขณะ ม, มีวุเบกขาพอจิตมีสมาธิมีวุเบกขาก็จะมีกําลังที่จะไปละตัณหาความอยากต่างได้ ต า, ตามที่ตามสมาธิิที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาผมจะบอกให้ละตัณหาถ้าอยากจะดับความทุกข์ยุตดดิการเวียนว่ายตายเกยิดก็ต้องละกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาจะละได้ก็ต้องมีสมาสมาธิเป็นผู้สนับสนุนปัญญาก็จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปอยานี่มันเป็นทุกข์ อย่ากเราจะทุกข์ไปเกิก็จะทุกข์ออย่าให้ไปหาอะไรอยา่าไปอยากกับอะไรใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็ไม่ต้องไปเป็นว่าตายเกิดนี่แหละคือมักแปดหรือมักที่มีองค์แปดผู้ใดที่ต้องการจะดุดพ้นจากความทุกข์ต้องอาศัยมักแปดนี้เป็นเครื่องมือ <c oughs> ซึ่งถ้าคําสอนที่ไม่มีมักแพทย์มีสอนมาก็ไม่ได้หือว่าผิดไม่ได้อ่าก็มีแต่ไม่ครบเนี่ยก็ต้องสอนให้มันครบทั้งขบวนการมันหลักสูตรของแพทย์เนี่ยต้องสอนให้ครบทุกวิชาไม่ใช่ยไม่ใช้ยกเว้นไมชากายภาพไม่ต้องไปผ่าศพอย่างนี้มันต้นอย่างอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าจะเอาใจนักศึกษาก็ไม่ต้องผ่าศพก็ได้ไม่ต้องไปผ่าศพก็ได้ มันต้องนต้องทำให้กระบวนการมันนึ่งยาสามารถดับความทุกข์ใจได้อย่างสมูรนเพราะธรรมะเหล่านี้มันสนับสนุนกันเนี่สามาศีนก็สนับสนุนการภาวนาสามาถตภาวนาสติก็สนับสนุนให้มีสมาธิสมาธิก็สนับสนุนให้ปัญญาสามารถ หยุดความอยากต่างๆได้ว่าปัญญาพิจนาว่าความอยากเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องหยุดความอยากถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากต้องมีทั้งสมาธิแลงมีทั้งปัญญาปัญญาเป็นผู้บอกว่าตัวไหนเป็นตัวปัญหาตัวไหนเป็นตัวเชื้อโรคถ้าเป็นแพทย์ก็ต้องหาว่าตัวไหนเป็นตัวเชื้อโรค เพราว่าตัวเชื้อโราแล้วก็ต้องมีปิปฏิชีวนะที่จะไปฆ่ามันได้อ <C oughs> สมาธิเนี่ยเป็นตัวที่อยากฆ่ากิเลส <C oughs> จะหยุดกิเลสต้องใช้สมาธิปัญญนะาเป็นผู้บอกว่าตัวไหนเป็นกิเลสตัวไหนไม่เป็นกิเลสอาจารย์ครับอย่างที่มีข่าวโดยทั่วไปว่าไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพึ่งลูกเทพไปพึ่งอะไรอย่างนี้ก็คือเรา ก็วางไปเลยว่าไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ที่เขาเรียกว่าศีลับพระตัดปรามาเนี่ยคนที่ว่าดับความทุกข์ได้ด้วยการบูชาเทพบูชาอะไรตา่างหรือให้ให้พระลูกนังพระตรนี้เจอมให้หรือเป่าหัวให้เคาะหัวให้อะไรต่างๆนี่แล้วจะไ ด, จะได้จะได้มีความสุขความเจริญหลุนพ้นจากความทุกข์รุนเป็นไปไม่ได้ไไดอย่างผูชางก็ไม่ต้องสอนมากแปดให้สีลไม่ไให้เน็ยเลย ขอ บ, บคุณพระอาจารย์ครับวันนี้พวกเราจะได้ได้ปัญญาไปแยกแยะได้ถูกต้องครับพระอาจารย์ครับ อ, อขออกาสถามคำถามจากเพื่อนเนบ้างนะครับคุณลิษาครับบอกว่าการที่เราพาคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ไปทําบุญโดยคุณแม่ก็จําไม่ได้แล้วว่าเงินที่ทําบุญนั้นเป็นเงินที่ท่านเก็บสะสมเอาไว้คุณแม่ได้บุญไหมครับถ้านไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้บุญเงินก็ตายนั่นนู่นทำตอนที่ท่านยังรู้เรื่อง อย่างเมื่อวานนี้ก็มีโยมคนหนึ่งก็ให้ลูกอามาทําบุญนั่งอยู่ในวีลชร์แต่ยังรู้สึกตัวอยู่ยังพูดได้ยังคุยได้อะไรให้ทําตอนที่มีความรู้สึกตัวมีเจตนาตอนนี้ต้อเป็นผู้สัง่งผู้อยากจะทําด้วยยังต้องมีเจตนาต้องมีการให้และมีการรับรู้ว่าได้ให้สิ่ง น, นั้นไปแล้วแันใจก็จะเกิดความสุขขึ้นมาอันนั้นะคือบุญ ความเชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงไหมครับคือตามหลักพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องจริงเพราะจิตใจนี้เป็นที่สิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายจิตใจนี้แหละผู้ที่จะไปได้ร่างกายใหม่เพราะจิตใจยังมีความอยากที่จะหาความสุขผ่านทางร่างกายอยู่ก็เลยต้องไปมีร่างกายใหม่และระหว่างทางก่อนที่จะไปได้รับร่างกายใหม่ก็จะต้องไปอยู่ สวรรค์และอยู่อบายก็อยู่กับบาปกับบุญที่ได้ทำไว้ก่อนจนกว่าบาปจะบุญนั้นไม่มีอิทธิพลต่อใจจิตใจแล้วถึงใจถึงจะได้ไปรับร่างกายอันใหม่ต่อไปไปเกิดใหม่คุณตีเล็กครับถามไว้สามข้อครับอาจารย์ข้อที่หนึ่งบริกรรมพุทโธแล้วเห็นท้องพองและยุบไปด้วยอัตโนมัติเหมือนรู้สองอย่างจะได้และถูกต้องไหมครับ ก็ดูที่ผลแต่ว่ามันทําให้จิตรวมได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็อาจจะเอาแค่อย่างเดียวจะดีกว่าอมุทโทอย่างเดียวแล้วดูดูอย่างเดียวนี่ยตอนต้นอาจจะใช้สองอย่างเพราะว่าจิตยังอาจจะฟุ้งซ่านอยู่แต่ในที่สุดเราต้องเพ่งอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งจิตมันทัรวมเป็นหนึ่งได้ข้อที่สองครับอินทรีย์ผมยังไม่มากพอที่จะขึ้นไปอยู่บนเขา มีที่พักปฏิบัติธรรมถือศีลแปดคล้ายแบบโยงผู้หญิงไหมครับในวัดก็มีอยู่สามารถจองที่พักได้ผ่านทางสำนักงานของทางวัดมีที่พักสำหรับผู้ชายเป็นเป็นบ้านพักเหมือนเป็นหมนกุติเองนี่ข้อสาครับบอกว่าผมเป็นโรคภูมิแพ้ถ้าจะนำตู้เสื้อผ้าไปไว้ในห้องพระจะได้ไหมครับแต่ไม่ได้แต่งตัวในห้องพระครับ อันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเหมาะสมนะถ้าเราต้องการที่จะให้ห้องพระเป็นห้องที่สำหรับพระโดยตรงก็ไม่ควรที่จะเอาอะไรไปไปเก็บไว้เพราะเป็นห้องที่เราเทิดทูนบูชาเป็นที่เรามาทำความสักการะบูชาอแต่ถ้าเราไม่ให้ความสำคัญว่าว่าอยากจะขอแบ่งใช้ส่วนหนึ่งว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของของคุณเองอ่ะเพราะบ้านก็นบ้านของคุณก็ไม่มีใครก็มารู้มาเห็นด้วย ของคุณเองเป็นคนที่รู้คุณที่เห็นเองก็อยู่ที่ว่าคุณจะต้องการให้ให้ความสําคัญต่อต่อห้องพระมากน้อยเพียงไรคุณเจถามว่าจิตไปนําสัญญาเก่าๆมาคิดตลอดต้องแก้ไขยอย่างไรครับก็ต้องพยายามหยุดมันเวลามันคิดเรื่องเก่าๆแล้วก็ใช้เขาบริกรรมพุทโธพุทโธไล่มันไปอย่าปล่อยให้มันคิด คุณอัจฉริยะครับต้องการเตรียมนีทายเพื่อปฏิบัติธรรมแต่มีคนให้เก็บเพื่อจ่ายประกันโรคร้ายแต่โยอมพิจารณาว่าร่างกายต้องเจ็บป่วยอยู่ดีจึงเก็บเท่าที่จําเป็นใช้การใช้จ่ายตามปัจจัย4ี่สอบถามว่าเป็นการประมาทไหมครับที่ยอมป่วยยอมตายครับอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวไว้อยู่แล้วนักปฏิบัติก็ที่ไปปฏิบัติเพื่อจะได้ยอมรับความป่วยยอมรับความตายให้ได้ ออยอมรับได้แล้วเราก็ไม่ต้องมีเงินสะสมเลยมากยิ่งถ้าเป็นผู้ชายบวชเป็นพระได้ก็ไม่ต้องใช้เงินไดก็ได้อยู่เป็นพระนี่ก็มีทุกอย่างฟรีหมดปัจจัยสี่ฟรีหมดอยู่แล้วไปฝึกจิตเพื่อยอมรับความความเจ็บความตายแต่ก็ไม่ได้หมายคามาให้ปล่อยปละล้วเลยยังรักษาดูแลง่ายกายแล้ก็ต้องทําไปตามกําลังป่วยก็รักษาได้ก็ไปหาหมอ ถ้าหมอบอกรักษาไม่ได้ก็ต้องก็หยุดกันรักษาไปคุณกีรติครับกาพพอาจารย์ครับอยากทราบว่าการอานาปานาสติมีปัญหาว่าบางครั้งบังคับลมหายใจแล้วแน่นหน้าอกครับทำอย่างไรครับอ๋อไม่ให้บังคับการนั่งหรือลมหายใจให้ดูเฉยๆไม่ใช่ไปบังคับให้มันหายใจหรือหายใจยาวหรือหายใจสั้นดูมันเฉยๆ นั่งดูเห น, น, น, นั่งดูทีวีเราไม่ต้องไปบังคับภาพบนจอในทีวีเราต้องเป็นไปอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราดูตามภาพมันภาพมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ดูไปตามภาพเป็นจริงถ้าเรายังดูไม่ได้ก็แสดงว่าสติเรายังมีกําลังไม่พอเราก็อา จ, จะต้องอาศัยคําการบริกรรมด้วยการสวดมนต์ไปก่อนเพื่อให้มีสติมากขึ้นจนพอเรารู้สึกว่าเราสามารถดูลงเฉยๆได้เราก็ค่อยกลับมาดูลงอีกทีนึง่ง อย่าไปบังคับลมลมจะสั้นจะยาวเพ่อให้รู้ต่างความเป็นจริงจะอยากจะละเอียดก็รู้ต่างความเป็นจริงแม้ลมจะหายไปก็ให้รู้ต่างความจริงให้รู้เฉยๆไปคุณอัชลาครับการฟังเทศฟังธรรมได้บุญหรือไม่และถ้าได้บุญเราสามารถอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วได้หรือไม่ครับ ก็อย่างที่เคยพูดอยู่เรื่องเรื่องบททิฏบุญเนี่ยพระเจ้าสอนให้ อ, อุทิฏฐบุญด้วยการทําทานเพราะการฟังเทศฟังธรรมของเราบางทีอาจจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเราก็ไม่รู้อันนี้มันอยู่ประเด็นมันอยู่ตรงนั้นตรงทีเราฟังแล้วใจเรา ล, ลอยเพราะจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปฟังไม่รู้เรื่อง่ีมันก็ไม่ได้บุญถ้าจะได้บุญต้องมบรรลุธรรมใส่ฟังฟังแล้วบรรลุเป็นโสดาบันอย่างเงี้ย อ, อย่างเงี้ยได้บุญแน่ๆแต่มันไม่ใช่ของง่าย นีย่ยไปหวังกันทิศบุญในการฟังเทศฟังธรรมหรือการนั่งสมาธิเลยแต่อยากจะอุทิศบุญก็ไปทําบุญทำทานใส่บาตรหรือบริจาคอันให้กับโรงพยาบาลแล้วก็บอยจาคแล้วก็อุทิศบุญส่วนนั้นได้ทันทีเลยอา น, นิสงส์จากการภาวนาช่วยอย่างไรในเรื่องการทํางานได้บ้างครับอจากการภาวนาเราก็ต้องมีสติฝึกสติ เมื่อเรามีสติเราก็จะทําอะไรไม่ไไมไม่ม่ผิดพลาดทําไมเขาถึงห้ามไม่ให้ดื่มแอลกเวลาขับรถเวลาขับรถถ้าดื่มแอลกแล้วมันเมามันไม่ก็ไม่มีสติขับรถก็จะไม่มีคอยไม่มีสติคอยควบคุมการขับรถเวลาเกิดอุบัติเหตุเกิดเหตุการณันั้นก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีแต่ถ้ามีสติก็จะรู้และสามารถแก้ปัญหาได้ทันท่วงที การมีสติจึงจะช่วยาการทํางานให้ให้ดีได้แม้แต่าการศึกษาการเรียนหนังสือก็อยู่ที่สติเนี่คนที่เรียนได้เกรดสูงสูงก็เพราะมีสติาจจดจ่ออยู่การเรียนอ่านหนังสือก็อยู่การอ่านหนังสือไม่ใช่อ่านไปแล้วก็ใจลอยคิดถึงเพื่อนคิดถึงที่เที่ยวอะไรต่างๆอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเวลาไปสอบก็สอบไม่ได้คะแนน คนที่มีสตินี้จะ จ, จะจดจ่ออยู่กับการเรียนการทําการบ้านอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้เรื่อง น, น, น, นี้ก็จะเข้าใจวิชาที่เรียนรู้เวลาถามเวลาไปสอบก็ตอบได้เต็มที่นี่แหละคือสติผลประโยชน์ของสติพระเจ้าบอกไปสติเป็นสิ่งที่จําเป็นในทุกกรณีไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือเป็นทางธรรมถ้าไม่มีสติก็เป็นคนบ้าทั้งนั้นคนที่ไม่มีสติมีอยู่คนมีมีอยู่สองสามอย่างด้วยกัน ไม่มีสติก็คือคนนอนหลับไปคนสลบสลายอันนี้ก็ไม่มีสติทำอะไรไม่ได้คนที่เสียสติคนบ้าก็ทำอะไรไม่ได้คนที่เมาสลายยาเมาก็กขาดสติทําอะไรทํางานไม่ได้เวลาเคยเคยเห็นคนเมาไปทํางานที่ที่ทํางานรึมั้ยไม่มีหรอกก็ส่งกลับบ้านทั้งที คุณอะระยะครับการที่เราจะบวชไม่จําเป็นต้องโกนหัวได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราจะบวชแบบไหนเนี่ยต้มีบวชแบบโกนหัวก็ได้แบบไม่โกนหัวก็ได้ยขึ้นอยู่กับเรามันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของของการการฆ่ากิเลสพูดง่ายๆถ้าเราอยากจะฆ่ากิเลสแบบเข้มข้นเราก็โกนหัวเลยเพราะกิเลสที่ตัวรักสวยรัางามมันก็ยังถูกกําจัดไป ถ้ายังไม่โกดธอัวแสดงว่ายังรักสวยรักงามอยู่ยังค่ากิเลสตัวนี้ไม่ได้อยู่คุณเฮนรี่ถามว่าการนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาได้ไหมครับไม่ได้สมาธิมันเป็นการนั่งเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้มีพลังหยุดสู้กิเลสแต่ไม่มีปัญญา แ, แต่เกิดปัญญาก็ต้องออกจากสมาธิมาแล้ววิเคราะห์คำสอนของพระเจ้าเ่นอริยสัจส ทุกสมุทัยนี้รนุนแรงเป็นต้นอันนี้ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาวิเคราะห์อานิจจังทุกขังนัตตานนเป็นต้นอันนี้ต้องเราใช้การวิเคราะห์ต้องใช้การพิจารณาให้เข้าใจความหมายของคำว่าอา น, นิจจังเป็นยังไงความหมายของนัตตาว่าเป็นยังไงความหมายของทุกขังว่าเป็นยังไงอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาไปนั่งสมาธิไม่ให้คิดให้นิ่งเฉยๆให้สงบให้รวมเป็นหนึ่ง ก็จะได้มีกำลังหยุดกิเลสได้เวลาที่ปัญญาวิเคราะห์แล้วว่าสรุปแล้วว่าความทุกข์เกิดจากกิเลสตัณหาและความอย่างนั้นเวลาเกิด ก, กิเลสตัณหาขึ้นมาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไปหาห า, หาตัวกิเลสที่สร้างความทุกข์นี้ขึ้นมาเพราะรู้ว่านี่คือตัวกิเลสคือตัวนี้ก็หยุดมันได้ด้วยสมาธิด้วยกำลังของอุเบกขาคุณอารยาครับ ถ้าเราไม่มีเงินทําบุญแต่เรารักษาศีลไม่ทําบาปอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็บาไม่ศีลก็เป็นบุญอย่างหนึ่งบาปก็ไม่บุญทําทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งอันที่สองมันไม่เท่ามันไม่เหมือนกันไงถ้าเรารักษาศีลใจเราก็ไม่ทุกนจากการทําบาปแล้วเวลาตายไปใจเราก็ไม่ไปเกิดในอบายส่วนถ้าทําบุญทําทานเวลาตายไปใจเราก็จะไปสวรรค์ได้ เราอยากจะไปสวรรค์นักษาศีลอย่างเดียวไปไม่ได้นะนักษาศี น, นี้รักษาให้เราอยู่เป็นมนุษย์ได้อยู่ในระดับเป็นมนุษย์ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์นี่เราต้องทําบุญทําทานเพิ่มอีกอย่างหนะึ่งถ้าทําบุญทําทานนะไม่รักษาศีนก็ไปสวรรค์ไม่ได้อยู่ดีจะไปอบาบัยซะก่อนมันทั้งสองอย่างมันมีส่วนส่วนที่จะเ ก, ก, กื้อกูลกัน คุณนัทนิชาครับเราใช้หลักธรรมข้อใดในการเป็นหัวหน้างานครับถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ต้องไปดูธรรมะที่ท่านพูดถึงทศพิธรราชธรรมธรรมของพระกับมาร์พระมหากรสั์มีอยู่สิบประการด้วยกันทศพิธรรารรรรรรชธรรมเียลองไปเปิดดูก็ต้องมีความเมตตาแล้วก็ต้องมีขันติ อ, ตอดทนมีการเสียสละเป็นหัวหน้าก็ต้อง ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกน้องเขามีศรัทธาเรื่องใสพถึงแต่ว่าเราจำไม่ได้ทั้งหมดทั้ง10บข้อนี้แต่ถ้าอยากจะรู้ว่าการเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นยังไงก็ไปดูทดเศเสตราชธรรมส10ประการด้วยกันคุณเซรีครับผมตั้งใจว่าจะปฏิบัติทั้งคืนแต่ตอนปฏิบัติจริงไม่สําเร็จตามที่ตั้งใจไว้จะมีเคล็ดลับอย่างไรให้สําเร็จอย่างเช่นท่านเคยสอนว่าให้อยู่เฉยๆหกชั่วโมงผมก็ทําให้ ทำได้แค่สองถึงสมชั่วโมงครับปรับคชี้แนครับก็ค่อยๆปรับขึ้นไปถ้ายังไม่ได้หกก็ถ้าได้สองก็ทำไปก่อนแล้วเพิ่มเป็นสามอยากสามก็เพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงมค่อยๆเพิ่มไปเทละนิดเดียวหน่อยขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองความพยายามอยู่ทีไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเพราะกำลังเรายังอาจจะไม่พอที่จะทําได้ทั้งคืนแต่เราอาจจะทําได้ทิ้งเที่ยงคืนเอาทางนี้เที่ยงคืนก่อน หน้าเเอาถึงปีเงินค่อยกระยับไปเดี๋ยวก็ได้ทั้งคืนเองคุณนกครับบอกว่าลูกเสียสิบเดือนฝันเห็นลูกชายที่เสียใส่ผ้าเหลืองเป็นพระลูกบอกแม่ให้บวชพระหมายถึงอะไรครับอมันจะมาถามเราได้ไงเราไม่ใช่หมอดูไม่ใชก็ไปถามหมอดูดีกว่าเพราะเราสหั้เเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องความคิดปรุงแต่ง ไม่ต้องให้ความสําคัญกับมันได้ยังไงด้วยแล้วก็ปล่อยวางผ่านไปคุณมาริสาครับสังคมตอนนี้มีคนโรคจิตหรือจิตเพศมาเพ่นพ่านในสังคมเยอะมากและแสดงตัวเป็นผู้รู้อวดอ้างแสดงตนเป็นตัวแทนของพระศ า, าสดามากขึ้นเรื่อยๆขอความเมตตาพระอาจารย์เตือนสติชาวพุทธ ด, ด้วยครับก็เพราะชาวพุทธเราโม่เองไม่ศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าก็ถูกเขาเหล่าได้ น่กศึกษาก็าจะรู้ว่าพู้เจ้าสอนให้ทําอะไรดีไม่รู้กันก็เลยถูกเขาหลอกกันเจอว่าพระจะสร้างศาลาแต่แล้วพระไปอยู่วัดอื่นไม่ได้อยู่สร้างผิดไหมที่ไม่ทําตามที่พูดไว้ครับก็เป็นเรื่องของสัจจะเนีให้สัจจะแล้วไม่กระทว่าเสียสัจจะ ก็ยังได้ว่าโกหกรวมก็ได้คุณปุเป้ครับพระอาจารย์หากหนูใจรู้ทำแล้วในกรณีมาอยู่ในดงกิเลสในการใช้ a อไอสิ่งที่คนมีปัญญาจากใจจะเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์นำมาใช้จะนำเสนอความจริงและดีมากกว่ามีโทษหนูเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับอ๋อใช่คนใี้มีทรอะพยายมจะทำอะไรเพื่อประโยชน์ไม่ได้ทำเพื่อโทษของ ให้เกิดโทษกับผู้ทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้คุณโยโย่ครับกราบขอปัญญาในการถวายเครื่องใช้ต่างๆสหรับพระพิสูจสงควรคัดกรองเบื้องต้นก่อนหรือก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะถวายอะไรส่วนใหญ่ก็ควรจะถวายสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพเช่นปัจจัยสี่ของพระก็มีอาหารมินตบาล จีวรข้างลูกผมกุติที่วางใส่ยารักษาโรคซึ่งส่วนใหญ่เวลาไปซื้อชุดสังฆทานก็มักจะใส่สองเห่านี้ไว้ไว้ครอบหมดนะจีวรก็มีผ้าชิ้นเล็กๆกระเพือหนึ่งเป็นแ เ, เป็นตัวแทนของจีวรแล้วก็ข้าวก็อาจจะมีข้าวสารถุงลเล็กถุงใส่เข้าไป เออความจริงของพวกนี้มั น, ม, น, นมันเป็นเหมือนกับเป็นของเด็กเล่น่ะไม่ควรจะซื้อสารมาทานเป็นชุดหรอกครจะซื้อที่เราเลือกสารเอาเองยันจะได้ดีกว่าถ้าอยากจะใส่บาตรหรืออยากจะถวายอาหารพาก็ไปซื้ออาหารมาปรางคนก็ซื้อวุ้ยเตี๋ยวมาซื้อข้าวผัดมาซื้ออะไรกับข้าวมาใส่ถุงมาแล้วก็ถวายไปเครื่องใช้ไม่สอยที่จําเป็นนอกจากคนก็มพาก็เหมือนค น, นก็ต้องใช้ยาสีฟันแปรงสีฟันใช้สบู่ ใช้ของอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราอยากจะให้ท่านมีของเหล่านี้ใช้เราก็ถอยท่านไปก็จะก็มีทั้งนนี้สําหรับพระที่สิ่งที่จะเป็นต่อการดำรงที่คุณเพิ่มสักครับเรียนถามครับสองข้อครับข้อที่หนึ่งการเดินจงกรมสามารถทําวิปัสสนาได้ไหมครับถ้าได้ขอหลวงพ่อช่วยนีย้ทศหน่ยครับได้การทํา การบรรจุปมนี้เราก็สามารถจเจริญปัญญาและวิปัสสนาได้เช่นเดินไปและพิจารณาร่างกายอาการ32ของร่างกายไปก็ได้เช่นร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็น ม, มีกระดูกไปทั้ง32อาการพิจารณาให้ให้มองให้เห็นด้วยด้วยใจหลับตาก็เห็นเดินตาก็เห็นว่าเวลาเห็นร่างกายของคนก็เห็นทั้งอาการทั้ง32อันนี้ก็จะได้ตัด การมาราคะความอยากยี่ยังมีเพศสัมพันธ์กับผู้อ่อให้ร่างกายของคนที่เราอยากจะไปล่วหลับนอนด้วยกลายเป็นโครงกระดูกไปนี่ความอยากจะล่วงหลับล่างเขาก็จะหายไปยทันทีอันนี้สามารถทําได้ในขณะที่เดินถูกกลมข้อที่สองครับการทําสมาธจิจนจิตเป็นเอกคตามีอาการอย่างไรจิตที่เป็นเอกคตายังมีโอกาสหลุดไปนึกคิดเรื่องอื่นไหมครับ ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่หลุดจิตจะนิ่งเฉยๆสักแต่ว่ารู้ทุกอย่างหายไปหมดในภายในจิตก็จะว่างเหมือนอยู่ในอวกาศเหมือนเวลาเราไปลอยอยู่ในอวกาศคนเดียวไม่มีอะไรมีแต่เราคนเดียวเราแต่ที่นี้ันสมาธิก็คือผู้รู้ในจิตตัวรู้คุณวิโอลาครับบอกว่าการกวดน้าแห้งกับกวดน้าลงดินสามารถทำได้ทั้งสองแบบเลยไครับ ไม่ต้องทำอะไรก็ได้มันไม่เกี่ยวกับบุญเลยการอุทิศบุญนี้ไม่ต้องใช้น้ําเลยอันนี้เป็นพิธีของพรามของพุทธานี้ให้อุทิศในใจหลังจากที่เราได้ทําบุญแล้วเกิดความสุขใจเห็นใจก็อุทิศความสุขใจเห็นใจนี้ด้วยวันด้วยการระลึกเลยันด้วยภายในใจเอาอุทิศส่วนบุญนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทําในวันนี้ให้กับผู้นั้นผู้นี้ที่ลงรับไปแล้วอย่างนี้ก็สําเร็จประโยชน์นะคุณอมพรครับ กลับสาธุในทำคําสอนของพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงทําไมบางทีคนทําผิดเราจะพูดถึงหรือว่าไม่ได้พ่อแม่ครูอาจารย์จะไม่ให้ไปว่าทั้งที่เขาผิดครับเพราะมันไม่ใช่นาที่ของเราไปว่าเขาใช่ไหมเราไม่มีหน้าที่ไปบอกว่าคนนั้นก็ผิดเขาถูกนอกจากว่าถ้าเรามีหน้าที่มีความรับผิดชอบเราก็ถึงบอกเขาได้เช่นถ้าเป็นตํารวจจราจรนี่ย แลคนทำผิดกฎหมายเนผ่าไปได้เนี่ยไปบอกเขาได้เลยคนทำผิดกฎหมายต้องจ่ายค่าปรับนี้ได้อยู่ขึ้นอยู่ว่าเรามีหน้าที่บอกเขาหรือเปล่าถ้าไม่มีหน้าที่ก็อย่าไปบอกเพราะคนไม่ชอบให้ใครมาว่ามาตำหนติตัวเราเองก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาตำหนิเรามาว่าเราใช่ไหมดังนั้นอย่าไปหาเรื่องเลยไปพูดแล้วมันจะทำให้เขารู้สึกไม่ดีกับเรายิ่งกับผู้ที่มีพระคุณผู้ที่สูงกว่าเราเราไปพูดมันจะทำให้เขาเสียใจได้ ที่เราไม่มีความเก่งใจไม่มีความเคารพนับถือเขาเลยอันนี้ต้องต้องรู้จักการพูดรู้ได้รู้ว่าเขาผิดเขาถูกได้แต่อยพูดไม่พูดนี้ต้องอยู่ที่การนั่งเทศน์คุณฟลาเวอร์ครับเราไม่ควรมีพระในห้องนอนใช่ไหมครับเช่นที่หัวเตียงครับไม่ควรมีเลยพระพุทธรูปนี้ไม่ควรมีเลยให้มีสติดีกว่า ไม่มีสติในใจสติเนี่แหละคือพระที่แท้จริงพระพุทธรูปก็เป็นรูปปั้นอย่างหนึ่งนั่นเองไม่ไม่ไม่ต้องมีเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเราเป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราวตถาคตเน้นถ้ากังวลเรื่องพระพุทธรูปก็ไม่ต้องไปมีม <Ô. S 2> ันเลยกลาวพระพุทธเจ้ากลาวตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็กลาบได้เลยกล่าแล้วเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็ถึงแล้วไม่ต้องไปหาพระพุทธรูปมานั่งกล่าว พระพุทธระพุทธลูบอยู่ในใจเราเนะี่ยนึกขึ้นมาสินึกถึงพระพุทธเจ้าก็กราบตรงนั้นได้เลยแค่วจาขอกราบพระพุทธเจ้าขอการาบพระธรรมคําสอนขอการาบพระผู้ทรงสาวอยู่ตรงไหนาก็กราบได้หมดคุณสิรินครับการนมัสการพระอาจารย์ตั้งแต่ที่แม่จากลูกไปคุณพ่อท่านจะไปโทรตามลูกไปเล่นสามกอบเป็นไพ่จีนครับแต่มีการเสียงเงินครั้งละไม่เกินสิ บ, บาท เพื่อช่วยดึงจิตให้มาอยู่ที่การเล่นซึ่งลูกกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าลูกไปร่วมเล่นบาปไหมแล้วลูกจะต้องวางตัวอย่างไรครับเพราะอบายยุกการเล่นการพนันนี้ไม่ไม่เป็นบาเปเพียงแต่ว่ามันถ้าเล่นแบบทําให้เราหมดเนื้อหมดตัวนี่มันก็จะเป็นทําให้อาจจะทําให้เราไปขโมยเงินไปหาเงินมาโดยไม่ชอบต่อไปได้แต่ถ้าเราเล่นการเพื่อสนุกสนานเพื่อเพื่อฆ่าเวลาเพื่อฝึกสติอยะไรนี้ก็ไม่เป็นปัญหา เงินที่ได้มาก็ไม่ใช่กีดตันคนที่เสียก็ไม่ได้ถึงกับลม้มจนที่จะต้องไปทำบาปเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพของตอนเองไม่บาปอบายยามุไม่บ า, าปบาแล้วไม่ควรเล่นแบบที่ทําให้เราสิ้นเนื้อประดาตัวได้ทันเองเวลานั่งทําสมาธิแต่สมองเรายังคิดถึงเรื่องต่างๆจะทํายังไงถึงได้นั่งสมาธิได้ครับ ก็ต้องฝึกสติให้มากก่อนที่เราจะมานั่งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็เจ้าสอนให้เราเจริญสติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับตื่นขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปในใจไปทําำจิจส่วนตัวอาบน้ำนงนัน่แปรงฟนแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธพุโทโธไปอย่ปล่อยให้คิดถ้าเราทำอย่างนี้ได้เวลามานั่งสมาธิความคิดมันก็จะมีน้อยมันก็จะไม่มาบรบกวนเราเราก็สามารถนั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ นี่คือเคล็ลับของการนั่งสมาธิที่จะทําทให้เกิดผลแต่คนส่วนใหญ่ไม่ทำกันนี่จะมาทำสติก็ตอนที่มานั่งเลยพอมานั่งก็จะเริ่มพูดโทเลยมันก็เหมือนขับรถอแะบบพอถึงสี่แยกไฟแดงแล้วค่อยแตะเบรคมันจะหยุดตรงที่สี่แยกไฟดแดงก็ว่าใช่ไหมก่อนจะถ้ารู้จะอยู่ที่สี่แยกไฟแดงแล้วก็ต้องเหยียบเบรคตั้งแต่ก่อนจะมาถึงว่าเพราะมันต้องใช้เวลาให้รถมันหยุดได้ ในความคิดของเราก็เหมือนกันเราต้องการให้มันหยุดความคิดให้จิตเข้าสมาธิแล้วมาทำตอนที่นั่งเลยมันไม่หยุดหรอกถ้าอยากให้มันหยุดต้องต้องหยุดความคิดก่อนที่เราจะมานั่งคุณจกริดครับผมเชื่อในคำสอนของพระพุทธศาสนาผมนั่งสมาธิเวลาไปทำบุญที่วัดแต่ยังดื่มเบียในวันพระอยู่ก่อนกินข้าวเช้าเย็นอย่างนี้เป็นบาปหรือเปล่าครับ ความจิงสุราก็ไม่ได้ถือว่าเป็นบาเปเป็นเป็นอบายมุกอย่างเลยที่ห้ามไม่ให้เดือสุราเพราะัวว่าหนึ่งมาล้วจำเกิดอาการมึนเมาแล้วขาดสติพอไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถควบคุมกายวาจาใจได้เวลาเกิดมีอารมณ์เสียขึ้นมาก็อาจจะปล่อยระบายออกมาท่ามความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้ดันั้นก็ทางศาสนาจึงไม่สนับสนุนให้มีการเดือมสุรา แม้แต่หยดเดียวก็ไม่ควจะเดื่มเพราะมันเดือมหยดมันเดืยวมันจะเพิ่มมันสองหยดสามหยดอีนิดไม่เป็นไรเนี่ยิีหน่อยไม่เป็นไรเน่ะตอนแรกก็ดื่มแก้วเดียวผมดืมแก้วเดียวไม่เป็นเพต่อไปอาจจะเพิ่มเป็นสองสามแก้ววันนั้นามณ์ไม่ดีอานมณ์เครียดขึ้นมาอาจจะดื่มมากหน่อยนี่ไม่ดื่มมากล้วมันปัจจัยดื่มมากขึ้นมาแล้วก็อาจจะติดได้งนั้นทำที่ดีอย่าไปอย่าไปแตะมันดีกว่า มันไฟนะอย่าไปจุดได้กวาดไฟที่จุดด้วยไม้ขีดนิดเดียวเนี่ยมันก็ลูกป่ามันไฟป่าใหญ่ตัตขึ้นมาได้อย่าไปนั่งกับไฟอย่าไปนั่งกับศรลาคุณหมีครับนั่งสมาธิถ้าไม่ถึงอั ป, ปนาสมาธิจะเข้าสู่ขั้นพระโสดาบันได้หรือไม่เพราะไม่เคยรวมเลยครับยากเพราะาการจะไปเข้าสู่ขั้นโสดาบันนั้นต้องหยุดความวกลัวตายหยุดความเจ็บ กลัวเจียวกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ความอยากไม่เจ็บความอยากไม่ตายให้ได้ถ้าเราไม่มีอัปปนาสมาธิมันจะหยุดไม่ได้มันไม่มีกําลังพอที่จะหยุดมันจะทุกเวลาเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเวลาที่จะรู้ว่าจะต้องตายเนี่ยมันจะหยุดความอยากไม่ตายไม่ได้เพราะกําลังของสมาธิไม่พอ คุณแคทครับการที่พี่สาวฝากให้เราเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดปลวกที่บ้านเนื่องจากไม่มีใครอยู่ถือว่าเรามีส่วนร่วมในบาปนี้หรือไม่ครับถ้ามีเราควรต้องทําอย่างไรครับถือว่ามีก็มีนะเพราะว่าเราเป็นคนเปิดให้เขาเข้ามาถ้าไม่อยากจะมีส่วนร่วมก็ให้เขาเปิดเอง <c oughs> แล้าก็นั่งอ <c oughs> หน้าบ้านเฉยๆแล้วเวลาเขาเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยอ่ากุญใจอย่างเนี้ย ถ้าเขาอยากจะเข้าไปก็ให้ก็เข้าไปเองเราไม่ต้องไปทําไปเปล่าแล้ว อ, อันนี้คืเรื่องอาจจะเป็นสีที่นองใจนิดหน่อยแต่มันก็เป็นการเรียกบาลีเราไม่ได้ทําเองก็ทำของเขาคุณกีรติครับเวลาเราดูลมเราต้องนึกถึงผ้าปลายจมูกตอนลมเข้าออกไหมครับไม่ต้องนึกก็ให้ดูเลยให้รู้สึกเลยเราต้องรู้สึกตรงจุดที่ลมเข้าออกมันมันอยู่ตรงไหน จะ อ, อยู่แถวปลายจมูกหร่นเหนืเริมฝีปากขึ้นมาแล้วก็โดนตรงเฝ้าดูตรงจุด น, นั้นคุณสราวุธบริกรรมพุทโธคือท่องพุทโธพุทโธในใจไม่ต้องดูลมด้วยใช่ไหมครับถูกต้องเอาอย่างเดียวพอไม่ต้องเอาทั้งสองอย่างโดยเฉพาะเวลาที่เรายังไม่ได้นั่งเวลาที่เรายังทํางานอยู่เคลื่อนไหวยอยู่แล้วก็พุทโธพุทโธไปอย่าง พรถ้าพุโทโธดูลมด้วยแล้วต้องทํางานทํานุ่งทํานีาน่ยเรื่อดมันจะทําไม่ได้มีคนบอกว่านิมพระอาจารย์วิเคราะห์คลื่นพลังบวกตามข่าวหน่อยครับไม่ทราบอาจารย์รู้เรื่องไหมครับ <c oughs> พลังบว ก, <c oughs> บวกทางทางศาสนาก็พลังบวกของจิตก็คือสมาธิเนี่ยเป็นพลังบวกส่วนพลังลบ ก, ก็คือตัญหาความอยาก คุณอดีเนียมครับนั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วตามดูลมจนหายจนจิตรวมตรงหน้าอกจิตว่างอยู่แบบนั้นนานมากหนึ่งชั่วโมงกว่ า, วาพอจิตออกจากสมาธิฌานเกิดทุกขเวทนาทางกายจนไม่สามารถนั่งต่อได้ควรพิจารณาลมหายใจหรือเวทนาครับคือถ้าเรายังไม่มีปัญญาพอที่จะพิจารณาเวทนานะเราก็ใช้สติดึงใจไม่ให้ไป กังวลกับความทุกข์ทางกายได้เช่นเป็นเกิดความเจ็บดังนั้นนี้เราก็บริยากรรมพุทโธพุทโธไปหรือสวดบ่นไปก็ได้เพื่อไม่ให้เพื่อให้หลดความเจ็บบ๊าให้ความเจ็บมันอยู่ของมันไปเราก็จะถ้าเราบริยากรมรมแล้วสวดไปสักพักมันจิตก็จะอาจจะสงบลงเพราะมันสงบลงมันก็จะนั่งต่อไปได้โดยที่ไม่รู้สึกกังวลไม่มีความรู้สึกอึดอัดกับความเจ็บของทางร่างกายได้ แต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาได้ก็พิจารณาเมทนาให้ดูว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเราห้ามมันไม่ได้เวลาฝนตกก็มันก็ต้องอยู่กับมันไปเวลาแดดออกก็ต้องอยู่กับมันไปเวลาเจอทุกขเวทนาเราก็ต้องอยู่กับมันไปอยากปอยากให้มันหายนี่อยากประหยัดนี่อยากมันไปนั่งเฉยๆอยู่กับมันไปถ้าอยู่กับมันได้ก็ก็ ใจก็จะสงบใจก็จะไม่ทุกข์กับเวทนาอนี้ถ้าใช้ปัญญาเป็นพิจารณาให้เป็นอนัตตาไปถ้าใช้ปัญญายังไม่เป็นก็ใช้คำบริกรรมพุทโธสวดบนไปหรือถ้าดูลมได้โดยที่ทาให้ลมใจเราสงบได้โดยที่ไม่ไปทุกข์กับเวทเวทนาก็ดูลมไปก็ได้แต่ไม่ให้พิจารณาลงมาใจเพราะ ลมหายใจไม่ใช่เป็นตัวปัญหาลมที่เป็นตัวปัญหาก็คือทุกขเวทนาคุณนันทิชาบอกก่อนนั่งสมาธิจําเป็นต้องสวดมนต์ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าส่วนมนต์จะทําทให้ใจเราสงบแล้วนั่งสมาธิได้ง่ายได้ผลดีก็สวดไปหรือว่าถ้าเราไม่ต้องนั่งไม่ต้องสวดแล้วนั่งสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องสวดก็ได้แล้วแต่ คุณสลาวุฒิบอกว่าชอบทําบุญแต่ย e ังละบาปไม่ได้ครับการละบาปได้เป็นบางทีต้องฝืนใจละตลอดเลยครับก็ต้องมีฮิริโอตตาปะต้องสร้างฮิริโอตตาปะขึ้นมาฮิริคือความละอายโอตตาปะคือความกลัวผลของบาปเราต้องรู้เวลาทาบาปนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับใจของเราใจของเราก็จะสะสมบาปขึ้นมาทีเรื่อยๆเป็นเวลาเราตายถ้ามีบาปมากกว่บุญ บาปก็จะดึงใจเราให้ไปเกิดในอบายแล้วก็ให้มีความอายเพราะว่าเราเราไม่อยากจะให้ใครเขาตำหนิดีเตือนเราว่าเราไม่ไม่ดีเราก็ต้องทำไม่ไม่ทำบาปเพราะการระทําบาปนี้จะถูกปัญหาว่าไม่ดีคนไม่ดีเหมือนกับเราอายเวลาออกนอกบ้านที่เราไม่อยากจะให้ใครเข า, เดดเาว่าเราหน้าตาไม่ดีเ้อะเทอะสก ป, ปกเราก็ต้อง อาบน้ำอบท่าแต่กายให้เรียบร้อยให้มีความอายอายในความไม่สวยงามของของใจของเราก็คือบาปนี่ยรทำให้ใจเราไม่สวยงามคุณน้ำทิพย์ถามว่ามีโกนถวายได้ตลอดไหมครับได้มีโกนมีเครื่องใช้ไม่มีกำหนดเวลาขยายได้ทุกเวลาถวายหได้ทุกเวลาที่พบกับพระอยากจะถวายขาองบางอย่างนี่ ถอยได้ทุกเวลาของฉันนี่ฉันถวายได้ทุกเวลาแต่ถ้าของฉันนี่ต้องต้องไม่เกินเที่ยงวันไปแล้วสำหรับวัดที่มีฉันสอมือแต่ถ้าว่าที่มีฉันมือเดียวก็ต้องไม่ถวายหลังจากที่ท่านฉันเสร็จแล้วเพราะท่านเก็บไว้ฉันพรุ่งนี้ไม่ง่ายคุณไต่พบครับ สงสัยว่าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันจะยังสามารถท่องมนต์คาถาอาคมแบบที่เป็นมนต์คุ้มครองตัวเองหรือห้อยพระเครื่องได้ไหมครับหรือจะขัดกับหลักปฏิบัติแต่ก็มีความเข้าใจและแยกได้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นของทางโลกไม่ใช่เป็นสาระที่จะพาให้พ้นทุกผู้ปฏิบัติมรรคผลสามารถกระทาอย่างที่ยกตัวอย่างมาได้ไหมครับคือถ้าเราท่องมนต์เพื่อให้กสิสตินี้ก็ท่าได้ท่องคาถา แต่ไม่ได้ทําเพื่อเอามาคุ้มคอรองเพราะมันคุ้มคอรองไม่ได้ไม่มีใครคุ้มคอรองร่างกายของเราได้หรอกทุกคนตายหมดมีแต่ตัดใชตายช้าตายเร็วตายก่อนตายหลังเท่านั่นเองเั้ไม่มีอะไรคุ้มคอรองป้องกันไม่ให้ร่างกายตายได้แต่สิ่งที่จะป้องกันคุ้มคอรองก็คือใจไม่ให้ทุกข์กับความตายของร่างกายได้สิ่งนั้นก็คือสติสมาธิและปัญญา ถ้าเราท่องทํางท่องมนท่องคาถาแล้วทําให้ใจเราสงบเป็นสมาธิได้ก็ทําใช้ได้แต่นี่ทําเพื่อให้มาป้องกันความตายของร่างกายป้องกันไม่ได้คุณตุ๊กบอกว่าใส่บาตรอาหารเช้าอุทิศบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วบุญจะถึงท่านไหมแต่ไม่ได้กรวดน้ําครับต้องอุทิศต้องระลึกถึงภายในใจ ส่วนท่านจะรับถึงท่านหรืไม่อยู่ที่ว่าท่านมารอรับหรือไม่เพราะดวงวิญญาณของท่านอาจจะมีบุญมากไม่จำเป็นจะต้องมาสายบุญท่านก็จะไม่มารอรับเหมือนพระ บ, บางท่านมีบารมีมีศรัทธายากยงไปถวายอาหารทุที่กุฏิท่านก็เลยไม่ต้องมาบินสบายครับพูดเป็นตัวอย่างอยู่ตัวอย่างครับคุณวีนาครับ พิจารณาลมหายใจเข้าออกจะมีสติดีอยู่ระหว่างลมหายใจเข้าและลมหายใจออกแต่สติมักจะเผลอหลุดไปที่อื่นบ่อยๆเวลาสุดลมหายใจจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรครั บ, ก, บ, ก, บรก็เดินกลับมาเดึนกลับมาอยู่ที่ลมเวลามันไปก็เดินมันกลับมาต้องคอยเดินมันกลับมาเราสามารถแผ่เมตตาได้ทุกครั้งที่ไหว้พระสดมนใช่ไหมครับแม้จะไม่ได้ทำบุญครับ การแผ่เมตตานี่ไม่ได้เกี่ยวกับการทําบุญแล้วก็การแผ่เมตตาต้องทําด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยการสวดด้วยละลิขภัยในใจอยากจะแผ่เมตตาให้คนนั้นเช่นเราอยากจะให้พ่อแม่เรามีความสุขเราก็ซื้อของไปฝากพ่อแม่ไปยิ้มพ่อแม่แล้วก็ซื้อของมาให้พ่อแม่พ่อแม่ได้รับของอย่างเราท่านก็จะมีความสุขอันนี้เนี่ยไม่ว่าเป็นการแผ่เมตตา ต้องแผ่ด้วย ก, การกระทำไม่ได้แผ่ด้วยการคิดเฉยๆคิดถึงพ่อแม่อยู่อยู่บ้านนี่ยก็คิดส่งส่งความเมตตามา ใ, ให้พ่อแม่เน้มันไปไม่ถึงหรอกกุฏิเลยครับบอกว่ามีวัดไหนให้อยู่ถือศีลแปดระยะยาวเป็นเดือนเป็นปีไหมครับยังไม่พร้อมจะบวชเป็นพระครับก็ต้องไปศึกษาแต่ละวัด น, น่ยเพราะว่าวันต้องอยู่ดีๆถ้าจะไม่รับคนที่แปดหน้าเข้ามาอยู่ระยะยาว พราะเขาดูนิสัยใจคอดูการประพฤติปฏิบัติว่าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในวัดได้หรป่าสามารถทําหน้าที่ทำกิจวัตรของตนได้สมบูรณ์หรือเปล่าก็เหมือนเราต้องไปสอบเอ็นท่านก่อนก่อนที้ก็จะรับให้เราอยู่เป็นระยะยาวอย่างสมัยที่เราไปบ้านปู่าตาบ้านตาใหม่ๆถ้าก็บอกอยู่ได้ชั่วคราวนะพอไปกราบท่านสิ่งแรกท่านพูดอยู่ได้ชั่วคราวกุฏิไม่ว่า้ ชั่วขาวก็ชั่วขาวแล้วก็อยู่ไปทําหน้าที่ของเราไปไม่ให้บกพร่องไม่ให้มีข้อตำหนิตีเพียนพอท่านเห็นว่าเราออยู่ในเกณฑ์ที่ท่านรับนั่นท่านก็จะรับเองตอนนั้นพระอาจารย์เดินทางจากวัดบวรบไปวันตากยังไงครับอาจารย์ก็ขึ้นรถไฟไป ถ, ถือหัวลำโพลงรถไฟแล้วก็ไปลงที่อุบลตอนเช้ามืดแล้วทางวัดมีมีรถ ของนิยามยมที่อยู่ดอนมารับไปส่งที่บ้านอีกทีหนึง่งแล้วต้องติดต่อให้น้องหน้าก่อนต้องบอกว่าจะไปวันไหนเวลาไหนธรรมะชาววัจะได้ช่วยจัดการได้เราขออนุญาตก่อนทั้งสองพอได้ราไปไปอยู่ในแนวของชาวต่างชาติชาวต่างชาติเวลาเขาจะไปวัดต่าบ้านตายเขาต้องเขียนหนังสือไปก่อนอนุญาตพระหนู่ตาก่อน้หนู่ตาอนุญาตท่นานัก่อนถึงจะไปเนี่ เราก็ได้รับคําแนะนําแบบนี้เราก็จะทำตามแบบนี้ซึ่งตามความเป็นจริงเนอะจะไปแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องเขียนหนังสือไปก่อนยากก่อนนะไดไปแล้วเข้าไปเหมือนกับว่าไปเสี่ยงดวงเอาเอง <c oughs> ท่านจะให้อยู่ก็ไม่อยู่จนะก็ได้คแต่ถ้าเราไปอย่างนี้ท่านรับเหมือนกันแต่ท่านรับแบบชั่วข่าวทนะ่านบอกไว้ก่อนคนระับอยู่ในชั่วข่าวกลับนี้ก่อนนะ ว่าท่านทาการจะมีออปชั่นเราจะรับเราหรือไม่รับเราได้ท่านอะไรอยู่ในชื่อข่าวก่อนแล้วพระอาจาไปถึงก็บินธบาดเลยใช่ไหมครับวันนั้นก็วันนี้เช้าวันนี้เขาก็ำลังจะ <c oughs> ออกมีเตรียมบินธบาตก็เลยรีบอ่ผมจีวรนั่นก็ว่าของยังไม่เก่งออกไปเดินไปตอนที่ขาไปเดินเดินเดินแบบสบายสบายก็พอเดินได้พอเสร็จจากบินธบาตขากลับนี่เขาวิ่งกันเลยเ <c oughs> ขาไม่ใช่วิ่งเขาวิ่งเขาเดินเร็ว เดินแบบเี่งเพราหลวงตาท่านเดินเร็วแล้วพระจะต้องกลับมาที่ไว้ก่อนหลวงตาแต่เราไม่เคยเดินเร็วแบบนั้นแล้วถนนตอนตอนั้น ส, สมัยนั่นก็เป็นลูกลรังด้วยเแล้วก็วเจ็บเท้าผ้าก็จะหลุดบาก็จะหลุดฉลองบาก็ใส่ไม่แน่นโอ้โหทุรักทุเลเหมือกลายเป็นว่านี่คหนึ่งเขาเข้อ น, นั่งประจําที่กันหมดแล้วเราเลยโอหตายแล้วเราแต่เราน็ีนิสอบด้ว 2518นะครับ2518แล้วนั่นบวชได้แค่6 6 6อกทิตเดือนกว่ากว่ายังไม่ชํานาญยังไม่เกงเดินเล่นบจักรวาลนี่มันเท่มันสบายมันทางก็ไม่ได้เป็นลุกลังแล้วก็ไม่ต้องเดินแล้วเดินแบบสบายสบายบานก็ไม่อาหารก็ไม่ของก็ไม่ล้นบาทเหมือนกับไปที่เป็นตักาลเป็นจักราลที่บ้านต่างบางทีข้าวมันเต็มอะมันก็หนักด้วย ข, าขา้าเหนียวก็วันแราเนี่ยผมไม่ไหวแล้วเราไอชาวบ้านเนี่ยได้อ่านตอนนี้แล้วก็แล้วก็รู้สึกดีครับอาจารย์ตอนระอาจารก็เคยผ่านพ้นแบบนี้ก่อนอะไรก็ต้องได้ปรับตัวมาวันต่อไปก็ต้องไม่ให้เป็นอย่างนี้ ล, ละแก้ไขข้อบกพร่องทันทีในที่บกพร่องเราต้องรีบแก้คไข บอกว่าคุณเพนครับบอกว่าทําอย่างไรจะให้สามีมองเห็นธรรมครับเอาธรรมะไปว่าไว้ที่หน้าเขาเลย <c oughs> เหนังสือธรรมะไปไวางข้างเตียงที่เอาไปไวางไว้เต็มรอบบ้านไปหมดเลยตรงไหนเขาเขานั่งอยู่ตรงไหนก็จะมีหนังสือธรรมะเดี๋ยวเขาวันหนึ่งเขาอาจจะหยิบขึ้นมาอ่านก็ได้อามีนั้นเรามีญาติพี่น้องคนหนึ่งเขาก็เอาหนังสือเราไปเขาบ่าเอาไปแล้วเอาไปก็ไ ป, ไปเก็บไว้ที่บ้านไม่เคยอ่าน หลายปียเยจนวันหนึ่งเจอความทุกข์สาหาัสไม่รู้จะทําอะไรก็รลองเปิดหนังสือธรรมะอ่านหนึ่ง mm hmm. พ่ออ่านปุ๊บถึงโอ้โอ้ยโอรู้แล้วว่าความทุกข์เกิดจากอะไร mm hmm. มีประโยชน์มากหนังสือธรรมะ mm hmm. แต่เรามองคับให้เขาอ่านไม่ได้ใชก็ mm hmm. อยู่ที่เขาว่าเขากพร้อมที่จะอ่านมนันเหมือน mm hmm. ยาอนะธรรมะเหมือน mm hmm. ยารักษาโรคขอให้มีตู้ยาเก็บไว้เถอะเผื mm ่อ hmm. วันใดวันหนึ่งก็ปวดท้องขึ้นมาเจ็บศีสต์ขึ้นมา mm hmm. เขาก็จะได้วิ่งเข้าไปที่ตู้ยาไปหา อายามารัประทานงั้นตอนนี้ก็เตรียมหนังสือธรรมะเทพธรรมะอะไรต่างๆไว้ในบ้านให้เขารู้ว่าให้เขาเห็นว่ามันอยู่ตรงไหนแล่ววันใดวันหนึ่งเกิดเขาเกิดความทุกข์ใจแล้วอยากจะพึ่งธรรมะเขาก็จะได้มีหนังสือธรรมะให้เขาอ่านได้มาเป็นบางครับงไม่เขาไม่ได้ คุณสัชิทน์ครับถ้าเรามีความเจ็บป่วยทั้งร่างกายทําให้ไม่สุขสบายทั้งทางกายและทางใจคือมีความกังวลเราจะทําใจให้ยอมรับอย่างไรครับเราก็ต้องฝึกไว้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นตอนนี้ร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เราก็จะควรจะให้เวลากับการฝึกสตินั่งสมาธิเพราะการฝึกสตินั่งสมาธิจะทําทให้เราทําใจได้เวลาที่มีการเจ็บปวดทั้งร่างกาย มันจะเจ็บทางร่างกายเพียงอย่างเดียวทางใจยังไม่เจ็บด้วยเพราะเราสามารถทําใจให้สมมงบต้องพยายามฝึกไว้ก่อนต้องเตรียมเตรียมทําข้อสอบข้อสอบของเราจะเป็ความเจ็บไข้ได้ปวดความตายความแก่นี้ยนะเป็นตัวที่จะเป็นข้อสอบของเราต่อไปถ้าเราได้ฝึกทําเตรียมทําข้อสอบไว้ฝึกเซฟเฝึกนั่งสมาธิจนสามารถนั่งอยู่เฉยได้นานๆโดยที่ไม่มีความรู้สึก อะไรกับอะไรอยงเงี้ยอันนีพอร่างกายกับเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็สามารถใช้สมาธิช่วยทําใจให้เราไม่ทุกข์กับความเจ็บป่วยของทางร่างกายได้การที่มีพี่ด่าแม่ทุกในทุกวันแบบนี้พี่บาปไหมครับมันก็เป็นการกระทําที่ไม่ควรต่อพวกพิพาคุณผู้เป็น ผ, นผู้เป็นผู้บุ ป, ปการีของเรา กาวิธีการที่ถูกต้องคนจะเคารพนับถือยกย่งองสารรเสริญท่านไม่ใช่ไปวา่าด่าท่านอันนี้แต่ว่าเป็นผิดศีนก็ได้มันไม่ใช่เป็นสัมมาวาจาคุณพักพินันครับลูกชายสิบขวบถามว่าถ้านั่งสมาธิตั้งแต่ตอนนี้ไปถึงดับขันเราจะได้บุญมหาศาลไหมแล้วเราต้องลงมาเกิดไหมครับ มันอยู่ที่ว่าเราทั้งเราได้ผลหรือไม่ถ้านั้นเราไม่ได้ผลมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยแล้วตอนการนั่งสมาธิอย่างเดียวนี้ก็ยังไม่พอต่อการที่จะทําให้ไม่เกิดกต่อไปเพราะนอกจากนั่งสมาธิเราวยังต้องไปเจริญปัญญาอีกขั้นหนึ่งต่อการสวดมนต์โดยออกเสียงกับสวดมนต์ในใจให้ผลต่างกันไหมครับการสวดในใจน่าจะดีกว่าเพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อย ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วมันจะทําให้ใจฉันบเพราะร่างกายไม่ต้องไม่ต้องเคลื่อนไหวคุณพุทโธเมถามสามข้อครับข้อที่หนึ่งพระอรหันต์เอาหนังสติ๊กยิงหมาได้หรือเปล่าครับก็หมือนังตาเนี่ยตอนที่เราไปอยู่กับท่านใหม่ก็ท่านมีหนังสติ๊กคอยยิงหมาไล่หมาอยู่เรื่อยๆการยิงหมาไล่หมานี่เปนการว่ากล่าวตัดเกินมัน พรภาษาหมามันพูดมันพอมภาษากนไม่เข้าใจอะไรต้องใช้ภาษาหมาภาษาหมาก็คือต้องยิงให้มันรู้ว่าะมันห้ามไม่ให้มาเป็นพรามเพราะหมามันเชอบเข้าไปคุยเคียหาอาหารไปทําให้ข้าของในวัดเสียหายพอเห็นหมาก็เลยต้องคอยยิงไล่มันไปอย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะไม่ได้มีเจตนาตั้งใจที่จะไปทําร้ายมันใดๆมนการ เป็นการบระลุบาลในการสั่งสอนมันหลวงตาเป็นพระอาหารหันต์หรือเปล่าครับก็เ้าเอ า, ากระดูกของท่านกลายเป็นพระธาตุนะครับการเป็นพระธานนะตุแสดงว่าต้องเป็นพระอาหารหันต์เราต้องฟังธรรมจากพระอาาริยะบุคคลเท่านั้นไม่ควรฟังธรรมจากปุถุชนจริงหรือเปล่าครับก็เหมือนกับไปหาหมอหม อ, หมอที่เรียนจบแล้วกับหมอที่ไม่เรียนจบนันอย่างไรจะดีกว่ากัน สัจเจยครับถ้าพ่อแม่ทำตัวไม่ดีทำบาปเราเป็นลูกจะบาปด้วยไหมครับไม่เกี่ยวกับกรรมกายกรรมมันไม่เกี่ยวข้องครับคุณสัจวัตครับสตวัตครับเวลาฟังเทศแล้วนั่งสมาธิไปด้วยพอนั่งจนจิตสงบเสียงเทศนาที่กำลังเทศมันไม่เข้าหัวเลยครับ มุ่งแต่พยายามอยู่กับความสงบไม่ให้ความคิดฟุ้งซ่านอย่างเดียวอย่างนี้ทําถูกหรือยังครับได้คือการฟังเทศน์นีมันมีสองประโยชน์ฟังเพื่อให้เกิดความสงบหรือฟังให้เกิดปัญญาถ้าฟังให้เกิดความสงบมันก็จะไม่ได้ปัญญาเพราะว่ามันมันจะฟังไม่รู้เรื่องครับพอจิตสงบมันก็จะฟังไม่รู้เรื่องไม่ได้ฟังเสียงเทศแล้วถ้าอยากจะฟังให้เกิดปัญญาก็ต้องพิจารณาตาม ที่เราคุยกันตอนนี้เราพูดวนะ่าคนฟังก็ต้องพิจารณาคิดตามถ้าคิดตามมันก็จะเกิดปัญญานะแต่มันจะไม่รวมมันจะไม่สงบนี่เปนสมาธิแต่มันจะได้ปัญญาแล้วได้ความสงบจากระจากการที่มีปัญญาแต่เป็นความสงบแบบไม่รวมเท่าั้เองคุณสุนียครับพิจารณาความตายแล้วเกิดใจนิ่งไม่เกิดความสะเทือนใจเหมือนก่อนเป็นเพราะอะไรครับ ก็พอะใจมันสงบมันยอมรับมันทําใจได้มันไม่ฝา่าเผยกิเลสมันความเอาไม่ตายมันไม่ปรากฏมันไม่ต่อต้านความจริงอันนี้คุณปูครับเรียกสภาวะนิพานใช่ไหมครับแบบที่ไม่มีไม่มีที่ไม่มีอะไรว่างเปล่าเหมือนอยู่ในอวกาศครับ อ, อ่าไม่ใช่หรอกความว่างเปล่านี่มันเป็ น, เ ป, นเป็นสภาพที่จิตสง บ, บในสมาธิ ส่วนพระนิพพานก็เป็นความสงบที่ว่างเปล่าเป็นความว่างเปล่าที่ที่ถาวรคือไม่มีกิเลสตัณหาลงในอยู่ภายในใจแตความว่างเปล่าของสมาธินี้ยังมีกิเลสอยู่ในใจเพอาะจากสมาธิมาความว่างเปล่านั้นก็จะหายไปเพราะกิเลสตัณหาจะออกมาสร้างอารมณ์ต่างๆคุณฟาวเวอร์ครับ ดูแลคุณแม่ติดเตียงสวดมนต์ไหว้พระจะแผ่เมตตาให้เทวดาที่คุ้มครองคุณแม่แล้วเจ้ากรรมในเวรได้ไหมครับคือการแผ่เมตตาต้องเจรกับเทวดาถึงจะแผ่ให้เขาได้ถ้าไม่เจอเขาก็ไม่ต้องแผ่้าเข้ามาเยี่ยมเขาบอกว่ามาเยี่ยมว่าต้อนรับเขาี่การแผ่เมตตาก็คือการมีไมตรีจิตกับผู้ ไม่ใช่พอเทวนามาเยี่ยมหล่ไปผีผีมาแล้วอยากขอขอขอพังขอร่างอย่ามาเลยอย่างนี้ไม่ได้แผแ่เมตตาตั้งเกียดเขาต้องไม่เกลียดเขาต้องรักเขาต้องยินดีต้อนรับเขาถ้าเกิดผีเข้ามาบอกเขาเป็นเทวดาคุ้มครองแมก็เราก็ต้อนรับเขาเหมื อ, มอนกับมีเพื่อนมาหาเราอย่างเนี้ยเราก็ต้อนรับเพื่อนคุณไตภพครับ เด่นกัดถามหลวงพ่อครับการที่เราเปิดธรรมะเสียงเทศของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ทําสมาธิโดยการใช้คําภาวนาเอ อ, อันนี้มันจะถามแล้วเนีัยคู่ๆไปกัการฟังแต่เมื่อจิตมัน ค, ค่อยๆสงบลงได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างแบบนี้สาระแก่นสาระาของธรรมะตัวจิตยังเข้าใจในธรรมนั้นหรือไม่ครับไม่แนละ้วถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ฟังอย่างต่อเ น, นื่องเราพิจารณาตามเราจะไม่เข้าใจเพราะเราฟังแบบให้จิตสงบ มันก็เลยจะไม่ได้ปัญญามันจะได้ความสงบแทนได้สมาธิถ้าเราอยากจะฟังเพื่อให้การสั่ถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เสียงธรรมถ้าเราไม่ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ถ้าเราใช้ใช้พุโทโธหรือใช้คาาําภาวนาพุโทโธแล้วอะไรเราก็ไม่ต้องไปเปิดเสียงธรรมให้เสียเวลาเปล่าเพราะมันจะมาชนกันด้วยเสียงธรรมจะมาชนกันกบคำบริกรรมพุโทโธพุทโธ ถ้ า, าอยากจะนั่งสมาธิโดยคําใช้คําบริกรรมก็ไม่ต้องมีไม่ต้องไปฟังธรรมถ้าเราฟังธรรมนี่เราต้องการให้เกิดปัญญาเนือถ้าใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์ก็ไม่ต้องใช้คําบริกรรมเวลานั่งฟังธรรมไม่ต้องดูลมไม่ต้องใช้คําบริกรรมเวลานั่งฟังธรรมใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์แทนถ้าไม่พิจารณาก็จะเป็นสมาธิถ้าพิจารณาก็จะเป็นปัญญา คนไก่ครับเวลาทํางานมีปัญหาเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าเรียกคุยเราอธิบายเหตุผลก็บอกว่าชอบเถียงอย่างนี้ควรทําอย่างไรครับถ้าเกาว่าเราชอบเถียงแล้วก็ไม่ทํองเราเราก็เฉยๆไปให้นเองฟังก็อย่างเดียวก็ เ, เป็นหัวหน้าเราก็เป็นยอดได้เราถ้าถ้าเขาอยากจะให้เราอธิบายเราเรค่อยอธิบายแต่ถ้าเขาไม่ให้เราอธิบายเราก็อยา่าไปอธิบายถ้าเขายังไม่พร้อมจะฟังเรา ให้เราอธิบายแล้วเราไปอธิบายเข้าไปเขาเถียงเขาใช่ไหมก็ฝังเขาเขาจะว่าก็ว่าไปให้เขาพูดให้เสร็จก่อนแล้วก็ถามเขาว่าอยากใช้อธิบายไหมอยากจะฟังคําตอบไหมอย่างนี้ก็ค่อยถ้าเขาบอกไม่อยากจะฟังก็ไม่ก็ไม่ต้องฟังก็ไม่ต้องตอบอะไรแล้วก็อยากจะฟังว่าอธิบายเขาฟังได้อย่างนี้ไม่เถียงอันนี้เรกวาเป็นการสนทนากันรากเบรคความรู้ต่อกันแล้วกัน แต่ถ้าพ่อเขาพูดคำปับ๊บเราก็อธิบายปั๊บนี่ม น, นึด้ปั๊บเขาก็ถือว่าเราเราที้งก็แล้วคุณชาญยุทธครับถ้าเราทําเพจเผยแพร่ธรรมะเอาวิดีโอคําสอนพ่อแม่ครูอาจารย์มาลงเพจแล้วได้เงินเงินที่ได้มาถ้าเราเอาไปใช้ส่วนตัวจะบาปไหมเป็นกรรมไหมครับก็คําสอนครูาอาจารย์ท่านก็เป็นให้เป็นธรรมทานให้ไปเพื่อให้เราได้เอาไปใช้ในการ ศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าเราไปค้าขายมันก็ไม่ควรเช่นถ้าเราหนังสือที่เขาแจกแล้วเราไปขายอย่างเงี้ยก็เป็นการเอาเป็นการไปเอาของที่เขาไม่ได้ให้เอาเราไปทําประโยชน์ทางด้านการเงินถ้าเราไปแจฟฟกฟรีก็ถือว่ามันไม่ผิดอย่าอย่าเอาของที่เขาแจกฟรีไปไปขายเพื่อให้ได้เงินได้ทองมา นอกจาว่าเราไปซื้อเล็กเกษตรจากครูอาจารย์ผมขอเซ็นเล็กเกษตรการเทศน์นี้เพื่อจะไปทําประโยชน์เนี่ถ้าท่านขายให้เราโอเคแล้วก็อาไปทําเอาไปขายหาเงินหารายได้ได้คุณพิมครับบอกว่าควรหรือไม่ควรถวายนะ้ำบนหิ้งพระครับก็อย่างที่บอกพระหิ้งพระก็ไม่ต้องมีนะครับก็ไม่ต้องมีถ้าอยากจะบูชาพระพระุทธเจ้าบอกให้ปฏิบัติบูบบชาแทนให้นักสมาธิเดินจงกอม อย่างนี้จะดีกว่าไม่ต้องใช้อะไรเลยคุณจัญญาครับเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราใส่บาตรแล้วพระชอบถามเรื่องส่วนตัวของเราแล้วเราไม่ตอบเราบาปไหมครับไม่บาปหรอกกรณีพระไม่ควรจะถามอะไรเราในซ้าไปเวลาท่านบินตำบาทิ้งๆก็ควรจะสํารวมนอกจากว่าถ้ามีเรื่องจําเป็นที่ต้องพูดด้วยในกรณี อันนั้นก็นไปในเรื่องหนึงแต่ถ้ารับถ้าบุคคลทั่วไปถ้าไม่รู้จักกันไม่ควรไปถามเรื่องส่วนตัวหรอกใช่หมใช่ขอวิธีในการทํางานให้เหมือนการปฏิบัติธรรมครับกท็ทําด้วยสติไงเวลาปฏิบัติธรรมก็ต้องมีสติเวลาทางานก็ต้องมีสติแต่คําว่าสติในในทางโลกเขาไม่ใช่คาว่าสติเขาใช้คําว่าสมาธิแทนมันก็เลยสับสนกัน เวลาถ้าเรามีสมาธิในการทํางานเรเรียกเอาเยี่ยมมายรียว่ามีสติในการทํางานแต่เราจะใช้คําสมาธิแทนสติเพราะทางธรรมนีสมาธิก็คือจิตนิ่งสงบไม่ทําอะไรนะจิตนิ่งเฉยเแต่เวลาทําอะไรนี่ต้องมีสติคอยกำกับการกระทําจะได้ไม่ทำเนี่ยไม่ให้ผิดพลาดคุณนานาครับ ขอวิธีการวางใจถ้าวันหนึ่งเราต้องเสียคนที่เรารักไปรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติว่าเราต้องจากกันแต่บางทีคิดถึงนึกถึงแล้วมันจะร้องไห้แบบนี้คือยังวางไม่ได้จริงใช่ไหมครับแต่หนูก็ไม่ได้เศร้าจนฟูมไฟล์คิดถึงแล้วมันก็ยังมีอารมณ์จะร้องไห้ครับก็เพราะว่าจิตเรายังไม่สบงบเต็มที่ไงถ้าเราฝึกสมาธิบ่อยๆให้จิตสบงบเต็มที่ต่อไปมันก็จะไม่อนอไห้มันก็จะเฉย เวลาที่คุณเสียสิ่งที่เราลักไปนนอกจากการพิจารณาสอนใจให้เตรียมใจรับแล้วเรายังต้องฝึกสตินั่งสมาธิด้วยเพื่อทำให้เราไม่มีปฏิกิริยากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ใส่บาตรแบบมีคนเตรียมของไว้ให้เป็นบุญของคนใส่บาตรหรือคนเตรียมครับ แล้วแต่ว่าเขาเป็นของใครของมคนใครแหละของนั้นใครเป็นคนจ่ายเงินเนี่ยพูดง่ายๆอย่างนี้มาแล้าของเงินเนี่ยเป็นคนนะ่าเป็นคนได้ผลส่วนของที่เตรียมถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเงินเขาจะได้ส่วนที่น่าช่วยเหลือเรารับใช้เราเตรียมของให้กับเราเป็นมูลกรางกันคุณมาคัศศีครับเพื่อนเป็นทุกข์มากร้องไห้ทุกคืนเพราะสามีไปบวชพระจะปลอบใจเพื่อนอย่างไรดีครับ ก็คิดว่าเขาตายไปแล้วเ็าล่กันคนที่มักอวดอุตริว่ามีความวิเศษเชื่อมจิตได้ทำอย่างไรให้เขาเข้าถึงพระพุทธศาสนาได้จริงๆครับไม่รู้เหมือนกันคนแต่ละคนก็มีความคิดของเขาถ้าเราอยู่ดีๆจะไปไปซอนไม่บอกเขาเขาจะฟังเราเลยต้องอยู่ที่เขาว่าเขาอยากจะ ให้เราช่วยเหลือเขาหรือเปล่าเราก็บอกเราก็จะบอกเขาวิธีที่ถูกต้องว่าต้องทําอย่างไรคุณพิกส์ครับร่างทรงเทพจีนหรือร่างทรงเทพต่างๆอย่างนี้มีจริงไหมครับทําไมท่านเหล่านี้ถึงลงมาแล้วทํานายทายทักช่วยเหลือผู้คนทางพระพุทธศาสนามีเรื่องนี้อย่างเห็นเรืนน่องนี้อย่างไรครับไม่มีเราทางพุทธศาสนาอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อ ซึ่งมาจะเป็นการแสดงปรุงแต่งของจิตขึ้นมาก็ได้นั่นเองเราก็เชื่อว่าเป็นรูนเป็นร่าขึ้นมากราบขอคำชี้แนะในเวลาที่โกรธควรทําอย่างไรจะระ ง, งับได้ทันครับเบื้อต้นถ้าเราไม่ทำอยํางไรก็ให้ทําพุโทโธพุโทโธไปเบริกรรมพุโทโธพุโทโธอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธพอเรามีเรื่องที่ทําให้เราโกรธความโกรธก็จะหายไป วิธีป้องกันไม่ให้เกิดใหม่ก็คืออย่าไปมีความอยากเพราะความอยากนี้ถ้าทำให้เราโกรธถ้าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเราไม่ได้เราก็จะโกรธขึนะ้นมาเพรฉั้นอย่าไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาจะให้อะไรเราก็ได้เขาไม่ให้อะไรเราก็ได้อย่าไปอยากให้เขาให้สิ่งนั้นสิ่งนี้กับเราเพราะว่าพอเขาไม่ให้เราเราก็จะโกรธเขาขึนะ้นมา คุณซีฟครับถ้าเราเป็นคนเงียบเงียบไม่ชอบสูงสิงกับใครในแผนกชอบคุยกินเที่ยวแต่ดิฉันเป็นคนเงียบไม่อยากยุ่งแต่ชอบสวดมนต์ฟังธรรมะระหว่างทํางานใส่หูฟังตลอดอย่างนี้ดิฉันแปลกประหลาดมากไหมต้องทําอย่างไรดีคุ้มใจครับก็ไม่มีอะไรเสียหายเนี่ยมันว่าจะว่าแปลกก็มัน ก, มนก็มันก็แปลกหรอว่าเขากับเราทำอะไรไม่เหมือนกัน น, ะนั้นเองก็เป็นปกติของจเลนทิศของคนบางคนชอบความสงบบางคนชอบสงบังคม มันก็เป็นไม่เสียหายทนะั้งสองอย่างคนชอบสังคมก็ปล่อยว่าเป็นสังคมกันคนที่ชอบสงบก็อยู่ตามลําพังไปเท่านั้นเองคุณแจนบอกว่านับถือแต่พระพุทธกับพระธรรมได้ไหมครับก็พระอริยสงฆ์เราให้นับถือได้พราอริยสงฆ์นี่เป็นองค์งประกอบสําคัญของวัตถุศาสนาพนเพราจะเรียนรู้ได้อย่างอย่างถูกต้องแม่นยาำก็ต้องเรียนจากพระอริยสงฆ์สาวบ อ๋อพระเจ้าก็จากราไปแล้วพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกก็มีมากมายเราจึงต้องอ่านแล้วอาจจะปวดหัวก็แล้วมันว่าจะอ่านบทไหนดีถ้าไมปหาเจ้าพระพนธีสงสารองท่านก็จะได้สอนธรรมะที่ที่จําเป็นที่เราที่จะเหมาะกับเรานะเป็นเหมือนกัหมอการไปหาหมอขอประการไปหาตาําราอย่างไ น, นจะดีกว่ากันถ้าเราไม่สบาย ไปหาตำรารักษาโรคภายการเจ็บมันก็มีตำราอยู่ะไปเปิดอ่านอ่าแล้วค่ะจะไม่เข้าใจวิธีรักษาแต่ถ้าไปหาหมอที่รู้จักวิธีรักษาหมอเขาก็จะได้รักษาโรคเราได้อย่างอย่างอย่างถูกต้องแม่นยำรวดเร็วพระอธิยลกษสงสาวกก็ไปเหมือนหมอส่วนพระธรรมนี่ก็เป็นเหมือนตำราส่วนพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้เขียนตำรา น, นี้ขึ้นมนาะแต่ผู้ที่เขียนตำรา น, นี้ท่านไม่อยู่แล้ว ก็เลยแต่ตํารากับพระอธิยศสองก็เลยแต่หมอกับตําราเจ้าเจ้าอย่างไรดีถ้าเร า, เ, ร า, เ, ราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องไปหาหมอเนะพราะหมอเขาเรียนจากตํารานี้มาเขามีประสบการณ์เขารู้จักวิธีรักษาโรคของเราดีกว่าเราที่เราจะไปอ่านตําราแล้วรักษาด้วยตัวของเราเองี่เป็นอย่างว่าเราจะหาพระอธิยศสองเจอหรือไม่ถ้านะเป็นเป็นเป็นปัญหาได้เพราะสมัยนี้ดูยากมากเกิน เอาไหนไปั่งพระอริอยสงฆ์หรือไม่เราจะดูแต่กิริยาการมันก็ไม่ได้เพราะว่าพระอริยสงฆ์บางองค์กิริยาการท่านก็าจจะไม่ค่อยจ ะ, ะ, จะเรียบร้อยก็ ม, มีแต่พระที่ไม่เรียบร้อยก็ไม่ไสามาคถจะเป็นพระอริยสงฆ์มันก็เลยดูไม่ออกเห ม, มืนอนกันก็ต้องอาศัยผู้ที่เขาได้ประสบได้รู้จักท่านแบบนี้มาก่อนนะ แลที่เราเชื่อถือได้ว่าท่านเป็นอาริยสงฆ์จริงๆแล้วเราก็ลองไปไปทดลองดูว่าท่านจะรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของเราได้ไหรือไมคุณคีลาครับจะวางใจอย่างไรหากเจ้านายไม่มีเมตตาตําหนิเกินก่อเหตุเป็นเวลาหลายปีจนเป็นทุกข์ครับก็มองนั่นครัมองเจ้านายเราเป็นเหมือนพนกมาย ท่านเป็นส้มโอเราอยากจะให้เป็นกล้วยเป็นเป็นได้ไหมท่านมตตากับเราเราอยากจะให้ท่านเมตตาเราจะไปเปลี่ยนท่านได้หรือเปล่าเราจะไปเปลี่ยนส้มโอให้มันไปกล้วยได้หรือเปล่าถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็ยินดีกับการเป็นส้มโอของท่านยินดีกับความที่ท่านมีความเมตตากับเราเท่านนั้นเองขอบคุกคนเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้ท่านเมตตาเรา ถ้าพ่อแม่ทําเอถ้าตัวทําทตัวไม่ดีแล้วพ่อแม่กล่าวตักเตือนเราอย่างนี้พ่อแม่บาปไหมครับไม่บาปเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลี้งลูกมีคําพูดพ่อแม่ไม่สั่งสอน <c oughs> หน้าที่ของพ่อแม่ก็คือสั่งสอนอบรมลงูกให้อยู่ในกรอบของคนความดีงามทั้งหลายคุณรูิติชัยครับ กาบเรียนถามวิธีปฏิบัติผมนั่งสมาธิดูลมจากหยาบจนละเอียดและลมหายเหลือแต่ความรู้ที่รวมอยู่กลางหน้าอกจิตวางนิ่งนานถึงสองชั่วโมงแล้วเกิดมีลมกับเวทนาอยากทราบว่าควรดูลมหรือดูเวทนามันเกิดแรงมากจนทำให้ต้องออกจากสมาธิควรพิจารณาการแบบไหนครับถ้ายัางจะนั่งต่อก็ออให้ให้ให้ดูลลมต่อไปไม่ต้องไปสนใจกับเวทนาที่เกิดขึ้น ถ้าดูลมไม่ได้เพราะใจมันจะไปคิดถึงเวทนาก็ใช้คําบริกรรมแทนเป็นคําบริกรรมมันเป็นคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแล้วจะสวดบทใดบทหนึ่งไปก็ได้เพื่อให้ใจเรามีอะไรผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงไม่ให้ไปกังวลกับทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นถ้าเราสามารถกาะติดอยู่การสวดหรือกับการบริกรรมได้ใจก็จะวางเวทนาได้ใจก็จะสงบ พระขับรถได้หรือไม่ครับทุกวันนี้เห็นบ่อยมากครับไม่นี่ัหมงนั้นะตั้งแต่บวชมาก็ยังไม่เคยขับเลยทีครูบาอาจารย์ก็ไม่รู้งานท่านขับนะันไม่ถือพวกที่ขับว่าเป็นสาธารณะมาเป็นประเด็นสำคัญเพราะอยากจะขับก็วอยเขาขับไป การออกกำลังกายถือว่าไปหาความสุขทางกายไหมครับแต่ตอนออกก็พยายามสร้างสติท่องพุทโธไปตลอดครับการออกกำลังกายนี่เป็นการรักษาร่างกายเป็นการดูแลสุขภาพของร่างกายทำได้ไม้แต่พระก็ต้องทาออกกำลังกายแต่การํากํำลังกายของพระต่างกับญาติโยมพระออกกำลังกายด้วยการเดินจงกรมเดินบินบารกำหนดลมหายใจเข้าออก ไม่นั่งสมาธิได้ไหมครับถ้าไม่นั่งมันก็จะไม่สงบไม่นิ่งพอถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่มันก็จะได้แต่แค่การเจริญสติบองการใจไม่ให้คิดฟุ้งซ่านนะนี่นอยจะทําทให้ใจนิ่งสงบไม่คิดอะไรเลยต้องนั่งเฉยๆคุณอัญชลีครับเป็นเจ้ามือหวยบาปไหมครับมันก็เป็นการเล่นการพนันอย่าง ก็ยังไม่ถือว่าบาปแต่มันอาจจะทำให้ไปทำบาปต่อไปได้ถ้าเรื่องนั้นมันเจ๊งขาดทุนนั้นไม่มีเงินใช้ง่าย จ, จะต้องไปขโมยเงินแลไปหลอกลวงเงินจากผู้อื่นมาคุณสุขีตาบอกว่าการฟังธรรมคนที่ฟังธรรมมเทศนาอยู่บางคนพนมมือขณะรับฟังบ้างก็นั่งสงบเฉยๆจริงๆคุณพนมมือหรือวางได้ครับ ทางสายปฏิบัติเหล่านี้จะไม่นด้มาโนมือเวลาฟังธรรมให้นั่งแบบนั่งอยูในขาให้วางวางมือไว้นที่หน้าตักเพื่อความสบายมันจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการพนมมือเราก็จะได้มีสติอยู่การฟังอย่างเดียวเวลาฟังธรรมทางปฏิบัตินี้เรามักจะไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พนองมือกันแต่เราจะนั่งพับเพียกันไม่ได้นั่งขัดสมา ก็ถ ja ือว่าท่าการสมานี่เป็นท้าที่ไม่เรียบร้อยไม่ไม่ไม่สำรวมไม่เํารบผู้ผู้แสดงธรรมเพผู้แสดงธรรมท่านก็นั่งเพียบสมัยที่อยู่ตรงตาท่านท่านแสดงธรรมท่านก็นั่งเพียบแสดงไปพราเราไปนั่งพัเพียบฟังไปแต่ไม่ได้พนมมือเวลาจะพูดถามถึงข้อยพนมงมือขึ้นมาอย่มนี้ใช่หครับอาจรใช่ถ้าเวลาจะพูดคุยกับท่านต้องพนมมือ คุณหนุ่มน้อยครับผมถามว่าแมวอยู่ในรถมี2ตัวรถของคุณนาะผมขึ้นรถแล้วออกจากบ้านคุณแม่รีบบอกคุณนาให้มาดูแม่นาะสองคนดูแมวตัวเล็กใต้รถและแม่ออกมาตัวหนึ่งแล้วอีกครับอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ออกจากรถออกเราปล่อยก่อนคุณนาขับรถไปแล้วผมเฉยๆเลยไปก่อนพอกลับบ้านแล้วผมไม่มองใส่ใจแมวปล่อยแมวเลยหลายวันแมวเล็กตัวขาวดําอยู่แต่อีกตัวหนึ่งแมวหายไปแล้วไม่กลับมาบ้าน รู้สึกไม่สบายใจถามว่าบาปไหมครับแม่บาปแล้วอาจจะเป็นไม่เราไม่ได้กัดขังเขาปล่อยให้เขาไปเพลียอย่างอิสระการเถียงพ่อเถียงแม่บาปไหมครับถ้าเถียงก็บาปแต่ถ้าคุยกันไม่บาปถ้าสนทนาธรรมกันถามตอบปัญหาทัานน้นได้อยู่แต่พอพูด่พอพูดคําเราเถียงกลับไปคำอยานี้ไม่ควร ไม่แสดงว่าเราไม่เคารพเพราะพ่อท่านอาจจะพูดสอนหรือบอกอะไรเราหน้าที่ของลูกคนอย่าพนมมือฟังมันฟังฟ ง, ฟ ง, ฟ ง, ฟ ง, ฟงพระเทศสเวลาพ่อแม่พูดอะไรนี้ลูกคนอย่าฟังแล้วถ้าจะตอบอะไรก็ต้รอรให้พ่อให้นพูดให้เสร็จก่อนแล้วอนุ ญ, ญาตให้เราพูดเราค่อยพูดขออนุ ญ, ญาตทันก่อนว่าขอผมชี้แจงได้ไหมครับขอผมชีแ้แจงถ้าท่านอนุญาตก็ชี้แจงไป คม่อนุาเไม่ชี้แจงก็ฟังท่านไปให้ปล่อยให้ท่านพูดไปอย่างเดียวคุณชุมพลครับการมีสีที่แตกต่างกันเช่นศีห้าสีปดสีสิบหรือสีพระภิกษุส่งผลให้การทาสมาธิมีความแตกต่างกันไหมครับล้วแตกต่างกันคือตรอนศีหกับศีส่วนศีีิบสีสองวัยจนีะไม่ค่อยต่างกัน สินห้านี่จะไม่ได้ห้ามให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นตอ น, นั้นเองยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่ยังดูหนังฟังเพลงได้อยู่ยังกินข้าวเย็นได้อยู่อันนี้เป็นการประสบแต่ถ้าถธอสินแปดนี้ให้ละการประสบไน่ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับใครไม่ให้กินอาหารนังเทวันไวแล้วไม่ให้ดูหนังฟังเพลงก็ะจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติ ส่นสิ้นสิบก็เพ่งแต่เพิ่มอข้อเดียวก็คือการไม่แตะแป้งเงินทองนั่นเองอันนี้สําหรับคนที่มาบวชเพราะเมื่อเป็นนักบวชแล้วไม่อยากให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทองเพราะเงินทองนี้จะเป็นเครื่องมือของกิเลสได้ง่ายดังไม่อยากให้ภาพมีเงินทองแล้วส่วนสิ้นสองร้อยี่สิบเจ็ดนั้นส่วนใหญจะเป็นระเบียบวิธีการบวช ต, ตอนไหนให้ดูสวยงามยินเวลากินต้อง ก, กินอย่างไรนะแล้วจะฉี่ยังตนะ้องมีบอกหมเลย ถ้าที่สวยงามพระยืนฉีไม่ได้เป็นต้นแต่เหล่านี้มันเป็นเรื่องของมารยาทของความความเรียบร้อยมากกว่าดนั้นมันจะต่างนนองสิน 5, ส้น 8. ห้าสิ้แปดรองสิลแปดสิน 27, ส้น 3, 3, สิบสิ้นสองรยเจ็ดสิ้นสามยสามสิเนีก็จะเป็นเรื่องกฎระเบียบกันว็นนี้จะทำให้การประ พ, พฤติของพระภิกษุรับสมเครแนวดูแลสวยงามไม่ให้ผู้อื่นเขตำหิเปลี่ยนได้ คุณมานีถามว่าคุณแม่เลี้ยงไก่แต่ไม่มีเจตนาฆ่าหรือขายต่อมาไก่เพิ่มจํานวนเยอะมากจึงจําเป็นต้องขายออกไปแบบนี้บาปไหมครับถ้าขายแล้วไม่เขาไม่เอาไปฆ่า้าไม่บาปต้องถามก่อนว่าขายไปแล้วพระเจอาไปเลี้ยงต่อก็ขายได้แต่ถ้าเขาขายแล้วแล้วเขาจะเอาไปฆ่าไปกินก็อย่างนี้ก็บาปไม่ควรทําคนควรจะปล่อยให้เขาไปอยู่ในสระแล้วปล่อยเข้าไป เนื้อถ้าเราเลี้ยไม่ได้เราก็จับแล้วไปไปไ ป, ไ ป, ปล่อยในป่าให้เขเป็นไก่ป่าไปครับคุณมาค่ะสี่ครับเวลาเรานั่งสมาธิตามทางที่รู้ว่าถ้านั่งนานขาจะชาเจ็บปวดเพราะเหตุใดเราจึงต้องทนสภาวะนี้เป้าหมายของการนั่งสมาธิคืออะไรครับคือเป้าหมายก็คือฝึกจิตให้ไม่ไม่ไม่สวัไม่หวั่นไหวกับอาการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายต่อไป ทีเวลาร่างกายเป็นมาเรงอย่างเนี้ยต้องทําทีโมต้องทำ TO, อาการผ่าตัดมันก็ย่อมต้องเจ อ, อความเจ็บปวดต่างๆแล้วเราฝืนขันนั่อยู่กับความเจ็บปวดจนใจเราชินกับมันแนะใจเราไม่ไม่ทุกกับมัน้วต่อไปเวลาเราเจ็บคขยได้ปวดเราก็จะได้ไม่ทุกขการงานต้องอยู่กับความวุ่นวายทำจิตภาวนาอย่างไรดีครับ พอเวลาทํางานมันก็ต้องเป็นจิตใอยู่ของการทํางานเราจะนั่งสมาธิไม่คิดอะไรไม่ได้เพราะเวลาทํางานต้องใช้ความคิดก็ทําได้ทั้นั้นให้จิตไม่อยู่ให้คิดอยู่กับงานอย่างเดียวอย่าไปคิดกับเรื่องอื่นแล้วพอไม่มีงานทําแล้วก็ต้องหยุดคิดให้ได้คุณเอกชัยครับ การฝึกเจริญวิปัสสนาเราสามารถเลือกเรื่องที่เราจะยกมาพิจารณาเช่นอริยสัจสี่หรือการเกิดดับของขันธ์ห้าได้หรือไม่ครับแล้วเราควรฝึกเจริญวิปัสสนาให้มากกว่าการฝึกสมาธิใช่หรือไม่หากใจเราสงบแล้วครับเรื่องวิปัสสนาและสมาธินี่มันก็ต้องทําให้เต็มร้อยตอนตอน้นเราฝึกสมาธิให้เราชํานาญเต็มร้อยก่อนสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาและอยู่ใน้นาน จนจำนานแล้วเราก็อออกมาออกจากสมาธิมาแล้วเราเเออก็เข้ามาเจริญปัญญาในการเจริญปัญญาก็ต้องมีเวลาพักเพราะเวลาเจริญปัญญาไปสักระยะหนึ่งจิตอาจจะฟุ้งขึ้นมาก็ได้ถ้าจิตเริม่มฟุ้งแล้วก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้ามาพักในสมาธิก่อนนี่คือการทํางานระหว่างปัญญากับสมาธิและเบื้องต้นถ้ายังไม่มีสมาธิก็อยากเพิ่งไปทางปัญญา เ น, นในด้านการเจริญสติหรืการนั่งสมาธิก่อนจนกว่าเราสามารถเข้าสมาธิชำนาญทางสมาธิแล้วต่อไปวเวลาจากสมาธิทา ง, ทางนี้เน้นทางด้านเจริญสติก็วันนการเจริญปัญญาปัญญาที่เราต้องพิจนารณาก็คือร่างกายเราในเบื้องต้นยินดาว่าร่างกายเราไม่เทียมเป็นหน้านตาไม่มีตัวตนไม่สวยไม่ ง, งามเป็นต้นเพื่อตัด ก, กิเลส ที่ไปเกี่ยวข้องกับร่างกายเมื่อผ่านร่างกายแล้ก็พิจารณาเวทนาความเจ็บทุกเวทนาว่ามันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เวลามันเกิดมันก็ต้องเกิดถ้าพยายามให้มันหายมันก็จะทํำให้ใจทุกข์ได้ก็ต้องฝึกอยู่กับมันไปอันนี้เป็นในสติปัฏฐานนั่นก็เป็นสอนให้ทำพิจารณาเป็นขั้นหนขั้นแรกพิจารณาร่างกาย แล้วก็พิจารณาเวทน า, นาแล้วก็ไปพิจารณาจิต่อารมณ์ที่มีอยู่ในจิตต่อไปคุณนกครับนั่งสมาธิแล้วคําบริกรรมพุทโธหายแล้วมีเสียงพุทโธ ท, ที่ออกมาจากกลางอกทําผิดวิธีหรือเปล่าครับก็รว่เป็นเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันม่าไม่ผิดแ้่ถ้าใดถ้าเราถ้าเร า, านั่งแล้วใจเราสงบถ้ายังไม่สงบเราก็ต้องนั่งต่อไปทําต่อไป คุณเอกชัยครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราปฏิบัติถึงขั้นพระโสดาบันแล้วครับเราปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางร่านกายได้เวลาไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายจะแก่จะตายก็ไม่ทุกข์กับมันเวทนาก็คือความเจ็บปวดเราก็ไม่ทุกข์กับมันอยู่กับมันได้ไม่กลัวมันไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายขณะทํางานพิมพ์ดีดท่องพุโทโธเพื่อฝึกสติได้ไหมครับ ความยิ่เราทำงานให้มีสติอยู่งานที่เราทำจะดีกว่าบุญต้นคูณครับครุกรรมดีต้องทำบุญอย่างไรครับกรรมดีก็คือก็าทาบุญอย่างมีทาทานอะไรเงี้บยบริจาคเงินให้กับคนในคนนี้ให้กับองค์กรนัอง ค, ค, ค, ค์กรนี้ก็เป็นการทำความดีทาบุญอย่าง หรือจะไปรับใช้ผู้นช่วยเหลือผู้อื่นก็ได้เป็นไปเป็นจิตอาสาก็ได้อันนี้เป็นการทำบุญทำความดีถ้าเกิดหากฟังธรรมบ่อยๆแล้วเกิดปิติในธรรมนั้นนั้นถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งหรือเปล่าครับก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่งปิติก็คือความเอ็มใจสนใจก็เรียกว่าบุญก็ได้ คุณชีวันบอกว่าไมีเหตุให้ต้องออกจากที่ทํางานต้องหางานใหม่กราบขอคําแนะนําด้วยครับก็มองว่ามันเป็นงานมันเป็นรื่องเป็นของไม่เที่ยงเนยไม่มีอะไรแน่นอนทํางานวันใดวันหนึ่งแเราอาจจะตกงานก็ได้แล้วการตกงานก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันวันใดวันหนึ่งแล้วอาจจะได้งานใหม่ก็ได้ให้มองโลกในทั้งสองมุมตกงานได้มันก็หางานใหม่ได้แต่ช้าหรือจะเร็วทัง้งนั้นมันไม่แน่นอน คุณซูมี่ครับไม่ค่อยได้จะใส่บาตแต่ทําอาณาปานาสติแทนได้ไหมครับมันก็ได้มันเป็นคนละอย่างกันนะอันนี้สองมันก็ได้ต่างกันถ้าให้อาหารเราก็จะได้มีอาหารเราก็จะไม่อดอยากขาดแคลนในเนื้ออาหารถ้าเราทําอาณาปานาสติเราก็จะได้ความสงบทางใจแต่เราจะไม่ได้อาหารเป็นพระอาจจะไปเป็นตบาลไม่ค่อยมีคนใส่บาตให้ เวลากรรมมานั่สมาธิทําหน้าสมาธิได้ดีทําใจให้สงบได้มั น, มนทําสิ่งนั้นก็ได้สิ่งนั้นกลับมาให้คิดอย่างนั้นก็แล้วกันให้อาหารก็ยิ่งได้อาหารกลับมาทําใจให้สงบก็ยิ่ได้ความสงบกลับมาสี่ห้าข้อมีความหนักเบาของกรรมต่างกันเยอะไหมต่างกันเนี่งไหมครับ อ, อ๋อหนักที่สุดก็ข้อนหนึ่งอตอนอธิบายการค่าเนี่ แรงที่สุดแล้มานมันก็การรักษรัพท์ทาคนคฎหมายก็มันก็เหมือนกันนะค่าคนกับักทรัพย์นี่อนันอยังท้อใจอะไรกว่ากันนะฆ่าคนครับคุณสราวุธครับรู้สึกว่าใจเป็นสิ่งที่ฝึกยากมากครับจะทำความดีต่างๆมักมีอุปสรรคเสมอจะทำความดีให้สงบใจภาวนาใจก็ยังไม่เอาเพราะติดในทางโลกมากเกินไปจะมีวิธีสอนใจอย่างไรครับ ต้งเนี่ยเวลาจะทําความดีแล้วต้องมีอุปรสรรคเราก็ต้องพยายามฝืนต่อสู้ตั้งใจแล้วต้อพยายามผ่านด่านให้ทำให้สำเร็จต้องมีความต้องมีความแน่วแน่แนมีสัจจะอธิษฐานมีความตั้งใจที่แน่วแ น, วแน่มีสัจจะอธิษฐานแล้วก็มีความเพียพรพยายามแล้วก็มีความอดทนเพื่อสามารถทําความดีได้สําเร็จ มีคนทำเพลงใส่ดนตรีบทยถาสั พ, พีให้พระให้พรของพระเป็นร้องเป็นเพลงแบบนี้บาปหรือเหมาะสมหรือไม่ประการใดครับมันก็เป็นเรื่องของทางโลกทางโลกก็มมนอยากจะทำอะไรแบบทางโลกทางธรรมก็อยากไปหลงตากัแล้วกันทางธรรมแลก็มีแค่สวดไปก็สวดไปเท่านั้นเองคุณตรงฤทธ์ครับ การเรียนถามพระอาจารย์เรื่องพระเจ้าห้าพระองค์เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับถ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องจริงพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าทรงเล็กถึงเนี่ยมีอยู่ห้าพระองค์ด้วยกันอีกสามองค์ที่มาก่อนตัดสิก่อนพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าเป็นองค์ที่สี่แล้องค์ที่ห้าก็คือพระพุทธเจ้าที่ยังไม่มาที่จะมาแน่นะก็คือพระศรีญาพระพุทธเจ้ากล่าวถึงพระพุทธเจ้าทั้งห้าลูนี่ ในข้าใต้วิดีโอมีแจ้งมีมีการแสดงไว้คุณชุติมาครับบอกว่าการนั่งสมาธิแบบนับหนึ่งหายใจเข้านับ 2. หายใจออกสามารถทำได้หรือไม่ครับทำได้ทั้ ง, ง น, นั้นั่นแต่จะได้ผลหรือไม่ต้องดูที่ผลเนี่ยละกันผลก็คือจิตสงบนิ่งลงเป็นหนึ่งได้หรือเปล่าปกติแล้วเราจะใช้ดูลงเฉนๆอย่างเดียวหรือบริการพุทโธอย่างเดียว แต่ถ้าคนจะต้องการนับด้วยกับเราทำอยู่ดูที่มันจะรวมไหมคุณนกครับการอุทิศบุญทําบุญให้ผู้ที่ลงรับไปแล้วบุญที่เราทําอุทิศให้นั้นจะหมดไหมครับแล้วเหลือไหมหรือเราต้องทําใหม่เพื่อสะสมให้ตัวเองครับออบุญส่วนใหญ่นั้นอยู่กับเราแล้วอุทิศได้เพียงเซี้ยวเดียวถ้าที่ได้ยินมาท่านเปลี่ยนมางาบน้ำที่ติดค้างอยู่ในเจ้วอะ เรเทน้ําออกน้ําที่มีอยู่ในแก้วเราเทออกไปหมดแล้วน้ามันก็ยังมีเศษน้ําติดอยู่ในแก้วอันนั้นแหละคือบุนที่ทได้ทำนี่บุญส่วนใหญ่จะเป็นของเราโดนพ่อแม่ดุด่าตลอดจนหมดกําลังใจควรทําอย่างไรครับเราคนจะขอบคุณพ่อแม่ที่อุตส่าห์ดุด่าว่างเก่าวตักเตือนเราเราจะได้รู้ว่าเราทำอะไรไม่ถูกเพราะเราจะได้แก้ไขต่างไป เราอย่าไปต่อต้านครับสั่งคำสอนคาดูดาว่าเก่าของพ่อแม่นอกจากว่ามันเป็นคําคําดูดาว่ากล่าวที่ไม่เป็นความจริงถ้าไม่เป็นความจริงเราก็เฉยๆไปเราต้องคิดถึงบุญคุณของท่านแล้วก็อยอมรับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องต้องอยอมรับอย่าไปต่อต้านอย่าไปโกรธท่าน คำถามสไตล์ครับอาจารย์ครับคุณลักณาบอกว่ามีวิธีฝึกใจอย่างไรเมื่อได้รับฟังสิ่งที่ไม่พอใจครับก็ฝึกใจให้เฉยๆฝึกนั่งสมาธิทำใจให้เป็นโอเบคาเวลาใจเป็นโอเบคาใจก็จะเฉยกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสใครชมก็เฉยการด่าก็เฉย โอกาสครับพระอาจารย์ eters, hu, <able> ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมในเฟซแปดร้อยสิบเจ็ดคนครับในยูหกร้อยสิบเจ็ดคนในคลับหกคนแล้วก็ในทิกตอกห้าร้อยสี่สิบห้าคนครับรวมหนึ่งพันเก้าร้ยแปดสิบห้าคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังเทศฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้ประโยชน์มากไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะนาออกไปใช้ในการปฏิบัติให้เจริญมุ่งมัต่อไปเจริญก้าวหน้าต่อไป การสัมมนาธรรมตลอดคืนนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจอมนาราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุดความจเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงท่านนี้ถ้าไม่มีเหตุฉัดข้องอันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพร ค, าาครับขอบพระคุณพรอาจารย์ครับ